อาจารย์ครับการวัสการครับผมจเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สอง้อยห้าสิบสองแล้วนะครับพอาจารย์ใก็จะครบรอบห้าปีแล้วนะได้ห้าปีแล้วครับอาจารย์ครับสมมติหกสิบก <c oughs> ็น่าจะได้ห้าปีปีกช อ, องเดินหนึ่งช่องเดินครับไม่เคยเราไม่ ผมไม่เคยขาดเลยนะครับพระอาจารย์ก็เมตตามาทุกสุดวันครับพระอาจารย์ว่าเช้าคนไปใส่บาตรกันเยอะไหมครับผมก็ประมาณเท่าเดิมสี่ร้อยกว่าสี่รอยยสิบกว่าตอนบ่ายก็ปรมาณสองรอยกว่าต่อไปก็เจ็ดร้อยกว่าก็เท่าเดิมปมาเท่าเดิมครับผมอันนี้ที่นี่ต้องเงินประมาณหกร้อยครับพระอาจารย์ครับผม วันนี้ยังน้อยอยู่นะถ้ามันถูกจป็นไปได้น้อยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ไม่อยู่วิวข้อหน้าตื่นเต้นครับพระอาจารย์ครับวันตอนนี้ก็มีคนคุยถึงเรื่องหน้าที่ทางโลกหน้าที่ทางธรรมเพราะว่าก็ยังปฏิบัติกันยังไม่ได้เข้าไปบวชกันหมดครับก็เลยต้องขอพระอาจารย์เมตตาให้ปัญญาเกี่ยวกับทางโลกด้วยครับแล้วก็ทางธรรมด้วยครับพระอาจารย์ครับกราบขอปัญญาคราับ หน้าที่ทางโลกก็คือหน้าที่อันดูแลและดูร่างกายเป็นหลักถ้าเองมีปัจจัยสี่อ่ามีปัจจัยสี่อาหารเครื่องดูมที่วิทยาลักษาโรคมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับกิเลสของแต่ละคนหากิเลสมากก็ย า, ยากได้ของราคาแพงๆก็ต้องหาเงินมากขึ้น ถ้ากินเลน้อก็ยินดีอยู่แบบ ม, มเรียบง่ไรก็ไม่ต้องดิ้นวานหะาเงินมากก็ อ, อ, อยู่ได้เหมือนกันปัจจัยสี่ไม่ว่าจะแพงหรือจะถูกมันก็ทําหน้าที่เท่ากันอาหารเมื่อไรร้อยก็อาหารกรบมูกละพันนี่ก็ไม่ต่างกันก<ะ>ินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันเสื้อผ้าเหมือนกันชุดละพันกับชุดําหมืน่นมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันบ้าน หลังเราสนหังวราลายกบ้านหลังเราสิบลามันก็บ้านเหมือนกันอยารักษาโรรักษาสามสิบบาทที่โรงพยาบาลของอัฐบาลหนือไปรักษาสามหมืบาทที่เอกชนมันก็รักษาโรได้เหมือนกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกี่เลยขงแต่ละคนความอยากของแต่ละคนว่าต้องการแบบไหนแต่ผลลัพธ์มันก็เท่ากัน่ะคือเรียกดูร่างกายได้ให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขได้ แล้วก็ผลลับก็คือมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนเดิมของของชีวิตก็คือเกิดเจ็บเจ็บตายเหมือนเดิมจะอยู่แพงตายแพงหรือจะอยู่ถูกตายถูกมันก็มีแคเนี้อาวุธกายถ้าอยู่ถูกตายถูกมั น, ก, มนามา ก, ก, ก็มันก็สบายหน่อยไม่ต้องดิ้นรนมากไม่ต้องหาเงินหาทองมากถ้าดูดูอยู่แบบแพงแล้วก็ตายแบบแพงมันก็รบเสียเงินมากหาเงินมากดินน้นรน อย่างห้องพระนี่ท่านให้อยู่แบบถูกที่สุดตามนิสัยอยู่แบบน้อยสันโดษนะครับพระเจ้าสอนปัจจัยสี่หองพระที่วาสัยก็คือ ล, ก, ลกขมูลอยู่ตามคนไม้เครื่องบูห่อก็ใช้ผ้าบางสกุลผ้าที่ก็ทิงนะ้งแล้าที่ก็หอ่อสมอาหารก็ให้บินตาขอขอชาวบ้านเข้ามาแล้วแต่ก็จะเมตตาได้ไรมากินกินมาละเมอพอ ยารักษาโลมสมัยก่อนเขาใช้การดืม่มยาดองน้ำมูดอาปัสสาวนี้มาดองพวกคนระบานแล้วก็เดิ่มทางนั้นเป็นาการโล ก, โลกสามัญประจําบ้านนนี่พูดนี่ปวดท้องปวดหัวแล้วปวดอะไรเขาก็ใช้ยาแบบนี้เดี๋ยวเมื่อไหร่มันก็รักษาได้ถ้าอยู่แบบนี้จิตใจก็เบาสบายไม่ไม่เครียดมากกับการที่จะต้องคอยหาเงินหาทองมนเลี้ยงร่างกาย แต่ถ้ า, าอยู่แบบแพงๆอยู่แบบรุลล่งระหงก็อยู่ว่าเรามีบุญเก่าหรือเปล่าถ้าเรามีบุญเก่ามีพ่อแม่นารวยก็แล้วไปอาศัยบาร์มีอาศัยคุญของพ่อแมเงินทองอที่ก็หามาก็อ ย, อยู่แบบรุ่ลระได้แต่ถ้าเราเกิดมาไม่มีพ่อแม่นารวยแล้วเราอยากจะอยู่แบบร่ํารวยกับๆๆคนอื่นก็เราอาจจะต้องดิ้นร น, นหาเงินหาท่อง อันนี้ก็คือพื้นฐานของการทําหน้าทีทา่ทางโลกทางร่างกายหาปัจจัยสี่มาในร่ากายจะเอาระดาบไหนก็รับแต่ความต้องการของแต่ละคนแต่มันก็มีความคยากความยาามุ่งยากทางจิตใจเพิ่มเข้ามาถ้าอยากจะหามากมัประเทศมากหน่อยใช้มากก็ลำคามากมก็ลงเคียดมากใช้น้อยหาน้อยก็เคียดน้อยหน่อย ส่วนหน้าที่ทางทรรมหือหน้าที่ทางจิตใจจิตใจเราก็มีส่วนที่เราจะต้องดูแลให้จิต ใ, ใจมีความสุขไม่มีความทุกข์ที่นหน้าที่ทางทํานี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อในเรื่องบาปบุญในนกสวรรค์และเชื่อเรื่องเมรุว่ายตายกิดหรือเปล่าถ้าเชื่อก็ ระดับต่ำหน้าที่ของเราในระดับขั้นพื้นฐานก็คือเราต้องให้เราเวียนว่าตายเกิดในสุคติคือตายไปอยากไปเกิดในอบายให้ไปเกิดในสวรรค์วิธีที่จะทําให้เราเวียนว่าตายเกิดในสุคติเราก็ต้องทำสองอย่างไม่ทําบาปคือรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อยแล้วก็พยายามทําบุญตามโอกาสตามกําลังให้ผลลัพธ์ของบุญในมากกว่าบา ถ้าเวลาเราตายไปบุญมากกว่าบาปบุญก็จะดึงเราไปสวรรค์แล้วจากลงมาจากสวรรค์ก็จะพาให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบารมีเพิ่มมากกว่าเดิมเท่านี้มันมีวาสนาบารมีขนาดนี้ชาติหน้าเราก็จะมีเพิ่มากกว่านี้ไปนี่ก็คือขั้นพื้นฐานถ้าเราเชื่อในเรื่องกันการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่อยากไปเกิดในะอย า, ายก็อย่าทำบาปมากกว่าทำบุญ ถ้าทำบาปมากไปทำมุญไม่ต้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตมากเป็นอสุรกายมากเรืองใบตองอบบ้ณ์สสามา ก, ม ก, มากใเวลาการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีด้ได้อภัพวาสนาอาชาติที่เรามีวาสนาแค่นีแต่ชาติ น, นจะกรรมมาลษน้อยลงไปความอำนาจของบาที่เราได้ทำไว้ นนี่ก็คือพือ้นฐานของเรื่อ ง, องหน้าที่ทางธรรมดูลจิตใจเราอย่างน้อยก็ให้เราเวียนว่ายตายเกิดในสุคติภพภูมิที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์อย่าไปเวียนว่ายตายเกิดในอาบายแต่ถ้าเราอยากจะได้เพิ่มมากกว่านี้อยากให้จิตใจเราในาขั้นสงบนุยินจนถึงขั้นที่เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเลยก็อยากจะไปนิพพานเราก็ต้องปฏิบัติธรรมในระดับหนึ่งระดับศี่แปด แล้วก็บาเพ็ญจิตตาภาวนาทักษาสิแป่งนั่งรับการหาความสุขทางทางลูกเสียงกินรถเพื่อเปลี่ยนมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบทักพอบจิตใจให้สาหาดด้วยปัญญาเมื่อใจไม่มีกิเลสใจก็ไม่ต้องกลับมาเห็นว่าตายเกิดอีกต่อไปใจก็อยู่ที่นิพพานหน้าที่ทางธรก็มีอยู่สองระดับนี่ อาจารย์ครับเมื่อตอนต้นอาจารย์บอกว่าที่บางคนเกิดมาแล้วได้พ่อแม่ร่ํารวยอันนี้เป็นบุญของพ่อแม่หรือบุญของเขาเองครับอาจารย์ครับกะบุญของเขาเองครับที่ทําให้เขามันได้เกิดเป็นกับพ่อแม่ที่ร่ํารวยอย่างเจ้าชายศิีรัชก็มาเกิดเป็นลูกเป็นเจ้าชายเป็นลูกของกษัตริย์เพราะด้านสมัยเป็นพระเวสสันดรท่านก็ทําบุญทําทานมาอย่า ง, าง ม, มากมายตอนที่ตายไปใจท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ ถ้าพอลองจากสวรรค์มาท่านก็ได้มาเกาดเป็นรุ่งของคนรวยครับไม่ต้องหาเงินหาทําให้เหนื่อยยากพระอาจารย์ครับนี้คนที่เป็นคนดีแล้วไปเกิดสวรรค์แล้วลงมาเกิดใหม่ก็มีโอกาสจะหมุนขึ้นไปสูงสูงส่วนคนที่ไม่ดีก็จะหมุนลงต่ำมีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นเยอะใช่ไหมครับใช่อยั้เรื่อยเไป<อ>ถ้าทําบาปมันก็จะดึงใจให้ลงต่ำไปเรื่อยเืเวลากรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะอาภัพวาสนาพระรามขึ้นไปเรื่อย ครับถ้าทำบุญก็กรรมเกิดก็ก็จะดีกว่าเก่าก็ขึ้นอยู่กับปริมาณบุญที่เราทำด้วยเราทำมากทำน้อยทำน้อยก็ดีน้อยทำทำมากก็ดีดีมากอย่างพระเวสสันดรที่ท่าำเต็มร้อยเลยท่าก็ได้เต็มร้อยเลยปาเกิดได้เป็นเจ้าชายสิสท ธ, ธัตถะแต่ยังไม่พอเจ้าชายสิทธัตถะมาก่อยก็ยังไม่พอ พราท่านพอมาเกิดแล้วมาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายถ้านมาคิดถึงว่าต่อไปตัวเองก็ต้องมาแก่เจ็บตายแล้วก็ต้อกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เลยอยากจะหาหาวิธีที่จะหยุดการเกิดว่าตายเกิดก็รู้ว่าต้องไปบวชต้องสละราชสมบัติอันนั้นก็ไปสร้างศีลบารลีอุเบกขาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมี อ, อุเบกขาก็คือสมาธิปัญญา ก, ก็คือความรู้ในระยับสัต ส, สีในใต้รับถ้าเข้าถึงความรู้อันนี้แล้วมีอุเบกขาเป็นผู้สนับสนุนใจก็สามารถนะครับความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอความรวภความอยากหมดไปจากใจใจก็ไม่มีเครื่องผลักดันให้มานเกิดอีกต่อ ใช้ก็อยู่ที่นิพพานอันนี้เป็นการแก้ปัญหาทางธรรมแบบเบ็ดเสร็จวุ่นเดียวจบแต่ถ้าแก้แบบแค่ให้เวียนว่าตายเกิดมันไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายหยุดเรื่อยๆถึงมืจะมานวยขนาดไหนเวลแก่เจ็บตายมันก็เจอความทุกข์วยกันนั่นถ้าไม่ต้อ ง, อา ก, อนนาองการที่จะมาต้องมาเจอความทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องหยุดการเกิดให้ได้ การอยู่การเกิดได้ก็ต้องไปบวชบวชเพราะมันเป็นทางที่เงเร็วที่สุดเพราะว่าชีวิตเราไม่แน่นอนถ้าเราโอ้เอยจะเกิดตายไปก่อนโอกาสที่จะได้มาปฏิบัติทำแบบพบทธิชฌานี้มันหายากเพราะเราอาจจะไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่จะมาสอ น, น, นเรนื่องราวของเรื่องราวจิตใจให้กับเราได้นำอาไปปฏิบัติแล้วก็อาจจะ ไปทําไรไปตามนิสัยตามอารมณ์เดิมของเราอาจารย์ครับถ้าเราเกิดมาแบบไม่เจอพระพุทธศาส น, สนาแต่นิสัยเดิมเดิมยังพอมีอยู่บ้างไหมครับอาจารย์ครับก็มีเราเคยชอบทำํทำบุญ น, นู่นทำบุญนั่นเคยรักษาศีลแล้วก็รักษาศีลต่อแต่สิ่งที่เราไม่มีก็คือปัญญาปัญญาคืออริยสัจสี่ใจรัไม่ถึงแม้พรมนิชานี้เราอาจจะได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติ มันไม่เข้าไปในจิตใจเนะแล้วมันจะเป็นแค่ความจําซึ่งเรามันก็จะทําให้เราลืมได้พอเราไม่ไม่ไม่ได้ยินได้ฟังถึงนอกในสัพเพามันก็หายไปจับใจดได้แต่ถ้าเราเอามาปฏิบัติถ้ามันฝังอยู่ในใจนี่มันจะติดไปกับใจจะฝังอยู่ในใจได้ก็ต้องอยู่ในระดับพระโสดาบันขึ้นไปพระญาติบุคคลครับผมแล้วโสดาบันถือว่าจะ ไม่มีพระพุทธศาสนาในภพหน้าชาตนะิหน้าท่านก็สามารถปฏิบัติเองได้เพราะท่านมีนิสัยท่านรู้ท่านรู้อริยสัจ ส, สี่ท่านรู้ใจละท่านรู้ใส่ของความทุกข์เกิดจากอะไรท่านรู้จักวิธีหยุดความทุกข์เหล่านี้ได้อย่างไรท่านก็สามารถปฏิบัติไปเองได้โดยที่ไม่ต้องมีพระพุทธศาสนามาสอนเพราะท่านมีพระพุทธศาสนาติดไปกับใจแนะ พระโสดาบันจึงเวียนว่าตายเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าในขั้นที่สองก็เวียนว่าตายเกิดในพพมนุษย์นี้อีกเพียงชาติเดียวถ้าในขั้นที่สามก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเป็นไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหนันต์เข้าสิงพันธิพานได้โดยที่ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอันนี้ก็คือระดับต่างๆที่เราจะ ทำหน้าที่ทำทำเราสามารถเลือกได้เป็นเหมือนเมนูร้านอาหารเราอยากจะกินอาหารชนิดไหนเราก็สั่งได้เพราะว่าศาสนาก็มีเมนูให้เราเลือกอ่าอยากจะมีว่าตายเกิดในปกติก็ให้รักษาสิ่งห้าทำบุญให้มากกว่าทำบาปถ้าอยากจะไปเป็นโสดามันเป็นแพ้ไปนิพพานก็ต้องไปถือศิ่งแปดเป็นอย่างน้อยแล้วก็ไปบําเพ็ญจิตตภาวนาะ สมถะภาวานาแล้วก็าาวิปัสสนาภาวนาก็จะสามารถไปถึงพันธิพันธ์ได้อันนี้เป็นรรดแบปนะถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระวัตรศาสนาแผนที่อันนี้ก็จะไม่มีก็ไม่เห็นที่เราก็ไม่รู้ทิศทางนอกจากว่าถ้าเราเป็นพระโสดาบันแล้วเราก็จะรู้ทิศทางเพราะามันนเรามีแผนที่ติดไปกับตัวเรามีใจเรา ถ้าเป็นปุถุชนนี่มันจะไม่มีมันจะจำไม่ได้เรื่องหมดได้ยินได้ฟังขะถ้าได้ยินได้ฟังวันนี้พรุ่งนี้ก็เรื่แล้ากเลยครับผมบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้ปัญญาครับผมอขอโอกาสถามจากของเพื่อนเพื่อนท่านอื่นนะครับพระอาจารย์ครับ คุณแว่นครับบอกว่าทำไมอาจารย์แต่ละสำนักแต่ละสายสอนปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาไม่เหมือนกันทั้งๆที่มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าใครสอนถูกครับคือการปฏิบัติสมถะภาวนานี้มันมีหลากหลายวิธีด้วยกันการทำใจให้สงบมีกรรมฐานส0สิบชนิดด้วยกันที่เราสามารถใช้เป็นอารมณ์ในการกล่อใจให้เข้าสู่สมาธิได้ ดังนั้นขั้นจเจริญสมาธินี้อาจจะมีวิธีต่างกันบางแห่งก็ใช้ยุบเนอพ่องเนอแล้วแต่ว่าอาจารย์แต่และองค์ท่านได้วิธีไหนมาได้ผลดีดกับท่านท่น้เอาวิธีนั้นมามาสอนต้องปู่ไมก็สอนให้บริการมพุทโธพุทโธอล้ำสายหลงพ่อสอนก็นให้ดูลูกแก้วให้ท่องสมาหลังก็มีหลากหลายวิธีเนี่ยเพราะอารมณ์ของสมถทานนี้มัมีเช่น อนุสติสติปเนี่ยจะใช้พุทโธก็ได้ใช้ธรรมโมก็ได้สังโคก็ได้ใช้บารานันสติก็ได้อ น, นาปันสติก็ได้กายกตาสติก็ได้ยิ่งแต่ละสำนักก็เลยมีวิธีสอนไม่เหมือนกันในขั้นสมาธิแต่พอถึงขั้นปัญญาที่ต้องเหมือนกันหมดมต้องสอนเรื่องตายรักต้องสอนเรื่องอณิอานิยสัตซีมาเข้าสู่ปัญญาแล้วมันจะเป็นอย่างเดียวนั่นเแต่อุบายอาจจะต่างกันก็ได้ ได้ข่าวพระเล่นคาร์โบดครับอย่างนี้คนที่ให้เช่าผิดไหมครับพอยอย่าไปพูดเลย ม, มันเป็นเรื่องกินที่จะพูดนะให้พูดไปเสียเวลาเปล่าเป็นพระก็รูอยู่แล้วหน้าที่เป็นพระมาบวชเพื่อมากำจัดกิเลสไม่ใช่มาตอบสนองกิเลสตัณหา มันมันมันมันเกินกว่าที่จะพูดแล้วลถ้าไปทําอย่างนี้อย่าบวญดีกว่ า, ราครับพระอาจารย์ครับบุญจากการฟังธรรมกับบุญจากการสวดมนต์บุญแบบไหนจะได้มากกว่ากันครับก็แล้วแต่ว่ามันสงบได้มากน้อยต่างกันนะแล้วก็ถ้าพูดถึงเปรียบเทียบนะบุญที่ได้จากการสมบัติการสวดมนต์นี้ มันย่อมสู้ขบุนที่ได้อยากการได้ยินได้ฟังทำเวลาเพราะบุญที่ได้อยากทำนี้เป็นปัญญาปัญญานี้สามารถกําจัดกิเลสได้อยา่างถาวรแต่สมาธิเคือความสงบนี้มันจะเพียงแต่กดกดกิเลสไว้ยังไม่สามารถทาลายกิเลสให้หมดไปจากใจได้เห็นถ้าพูดมองในแงนี้ก็บุญที่ได้จากปัญญามันย่อมดีกว่าย่อมมีประโยชน์กว่า มุนที่ได้จากสมาธิในยาการสวดมนต์คุณดําถามครับว่ า, วาสมาถตยานิกวิปัสสนาญาณิกแตกต่างกันอย่างไรสามารถบรรลุนิพพานได้ทั้งสองแบบหรือไม่ครับก็ต้องใช้ทั้งสองอย่างมื่อต้องกาต้องใช้ส ม, ถถมัติคือทำใจให้ง่ายสงบให้มีพลังก่อนพลังของใจอยู่ที่สมาธิอยู่ที่สมถะเพราะ การทำสมาธิจะทำให้เกิดอุเบกขาขึ้นมนาะเกิดกำลังที่จะหยุดกิเลสได้เพราะเวลาที่เข้าสมาธินี้ใจหยุดทำงานพอใจหยุดทำงานกิเลสก็ทำงานไม่ได้เพราะกิเ ล, ลสอาศัยการทำงานของใจเป็นเครื่องมืงอเห็นถ้าเราหลดถ้าเราหยุดใจได้ด้วยสติเราก็จะสามารถหยุดกิเลสได้ถ้าเราไม่สามารถเข้าสมาธิได้ถึงแม้เราจะไปทางปัญญาแล้วปัญญาพิจารณาเห็นว่า ความทุกข์เกิดจากติเลเราก็ยังหยุดมันไม่ได้ดังั้นมันต้องมีทั้งสองอย่างมีสมาธิเป็นกำลังสนับสนุนปัญญาปัญญาเป็นผู้วิเคราะห์ดูว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์พอปัญญาวิเคราะห์ออกเป็นความโลภความโกรธนี้แล้วก็ให้หยุดความโลภความโกรธก็จะหยุดได้ทันทีถ้ามีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนทังต้องต้องไปทั้งสองอย่างพร้อมกัน เดินเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยถ้าเดินเท้าเดียวจะเป็นยังไงก็ต้องขย e n ไปกระโดดไปแต่ถ้ามีสองเท้าเวลาก้าวเท้าซ้ายก็เท้าขวาก็เป็นผู้สนับสนุนเท้าซ้ายให้ก้าวไปข้างหน้าแวลาก้าวเท้าขวาก็เหมือนกันก็เท้าซ้ายก็เป็นผู้สนับสนุนให้ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าได้เั้นปัญญาและสมาธิก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะต้องมีทั้งสองอย่าง เป็นมือสองมือก็แล้วเท้าสองเท้าคุณธรรมชาติบอกวันนี้พระอาจารย์สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติล้วนๆหมดเวลาได้ฝึกภาษาไปในตัวครับวันนี้ดนานก็มีชาวต่างประเทศก็มาอยู่ภักที่วัดแล้วก็ขอโอกาสสอบถามคําถามก็เลยเปิดโอกาสให้เขาไปภาษาไทยเราก็ถามกันมาเกือบทุกครั้งอยู่แล้ว มมหาจั ก, กรพรรดิคืออะไรครับใครคือจุดมุ่งหมายของท่านผมไม่เข้าใจนะอาจารย์พระมหาจั ก, กรพรรดิคืออะไรคือใครจุดมุ่งหมายของท่านคืออะไรครับคือมันเกินขอบเขตของสุนทนาทําของเราในช่วงนี้ไปถามถาม g o o g l e ถาม AI ดูก็ได้เขาจะบอกเราได้อย่างชัดเจนกว่า อาจารย์ครับถอดเครื่องช่วยหายใจแม่ในวันที่ท่านทรมานมากๆแบบนี้เป็นบาปไหมครับก็อยู่ที่ว่าเรามีเจตนาอย่างไรถ้ามีเจตนาอยากให้ท่านตายนี่ก็บาปแต่ถ้าเราอยากจะยุติการรักษาพยาบาลไว้ให้ ร, รักษาไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไว้ให้ท่านอยู่ตามธรรมชาติดีกว่าอันนี้ก็ไม่บาปก็แล้วอยู่ที่เจตนา โอกาสครับอันนี้เหมือนกับถามคล้ายๆเดิมแต่ทา ม, มาันทำไไม่เป็นไรบอกว่าวิปัสสนาญาณิกมีจริงหรือไม่แต่ว่าอะไรที่บอกว่าการดูสภาวะไปเรื่อยๆจนบรรลุมรรคผลโดยไม่จําเป็นต้องได้ฌานก่อนคือจํากัดความถูกที่ถูกต้องของวิปัสสนาญาณิกใช่ไหมครับมันเป็นคำความคามิดของคนที่ไม่ได้ปฏิบัต ปฏิบัติแล้วทุกคนจะต้องต้องบอกว่าต้องมีสมาธิก่อนเดี๋ยวจะสามารถใช้ปัญญาได้ทางโลกทำมาเลยแล้วตอนนี้อยากทำหน้าที่ทางโลกให้เยอะน่าจะทางทรให้เยอะไหมครับอาจารย์ขอแนวปฏิบัติพื้นฐานครับก็นี่แหละก็ถ้าอยากจะทำให้เยอะๆก็ต้องขั้นระดับศีลแปลกนะครับ ภาวนาะก็อาจจะเริ่มต้นในวันพระก่อนก็ได้วันที่เราห ย, ยุดทำงานหรือ ว, ว, ว่าเราก็ไปอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมสักวันหนึ่งไปเทสินแปะแล้วก็ไปนั่งสมาธิไปฟังเทศน์ฟังธรรมให้เกิดปัญญาไปก่อนแล้วพอได้ผลดีแล้วก็อาจจะเพิ่มวันปฏิบัติให้มากขึ้นอาทิตย์ละวันเป็นสองวันเป็นสามวันเพิ่มไปเรื่อยจนสามารถปฏิบัติได้ทุกวัน ร่างกายไม่สมบูรณ์เจ็บป่วยไม่พร้อมกับการปฏิบัติสมาธิแต่อยากได้บุญครับมีวิธีไหนบ้างครับก็ทำบุญใส่บาตรเนี่ยวายทานต่างๆไม่จาเป็นจะต้องทำกับวัดอย่างเดียวทำบุญกับพ่อแม่ก็ได้บุญเหมือนกันแสดง ค, ความกตัญญูกับเวทีแล้วแต่เราอยากจะทำกับใครเราทำได้มันก็จะได้บุญเหมือนกันได้ความสุขใจอิ่มใจ ขอโอกาสพระอาจารย์อธิบายมรรคแปดครับผมมรรคแปดก็เป็นส่วนประกอบของของของมรรคคือทางสู่การหรรพจนจากความทุกข์มรรคแปดนี้เข้าใจว่าพระพุทธเจา้าสอนรมรรคบุตนได้สอนการละาดท่านก็สอนให้มีสมาทิฐิความรู้นิสิตถูกต้องเห็นว่าการเวีนว่ายตายเกิดความทุกข์นี้เกิดจากกิเลสตัณหานี่คือสมาธิในระดับของพระ นะฮนะถ้าสัมมาสังกัะปะมีความยังเลีชาบก็ต้องําเลยการกําจัดกิเลสให้หมดไปจากใจใด้วยการภาวนาสมถะภาวนาไม่ปัสฉนาภาวนาแล้กวาาก็ธรมากรรมันโตก็ให้มีศีลการกระทำไม่ให้ไปเบียดเบีย น, นผู้เพราะการเบียดเบียนผู้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กิดขึ้นกับใจไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักษาไม่เลวไม่ถึง ใ, ในกาลที่เห็นของมือนเบา ธรรมาวาจาการพูดที่เกิดต้องอไม่ให้พูดปล ด, พ, ดพูดแต่ความจริงธรรมชีว์ก็ธรรมอาชีพที่ไม่ไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนอย่อยาไปทําอาชีพที่เลื่ท่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้นแล้วก็ธรรมาวาญมกายทำความเพียรเจริญสตินั่งสมาธิก็จะได้สรรมาสติได้ธรรมาสมาธิตามลำดับ อันนี้เป็นองค์ประกอบพอมากไปถือเวลาบางครั้งองค์สงแสดงก็อาจจะย่อส่วนลงมา แ, แค่สามแค่ศีลสมาธิปัญญาศีงก็คือศีลก็คือองค์ประกอบของศีลก็คือสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะนีเองแล้วก็สมาธิองค์ประกอบสมาธิก็มีสัมมาวายาโมสมมาสติสัมมาสมาธิ แล้วส่วนประกอบของปัญญาก็มีสองสมมติสังฆโปกสมมติทิฏฐิความเห็นชอบดัน oh. ั้ศีลธรรที่ปัญญาก็เกิดมักที่ในองค์การนี้เองแต่ที่สอนพวกที่เป็นพระนักบวช น, นะแต่ถ้าเป็น oh. คาาว่าอัน น, นี้ท่านทรงสอนให้เพิ่มอีกข้อนึงคือการทำบุญทำทานคือไม่ให้เอาเงินเท่าที่เหลือกินแหลืใช้นีไปดับความทุกข์ด้วยการซื้อความสุขทางรลก เพราะความสุทางโลกไม่สามารถบรรลับความทุกข์ได้จะรับความทุกข์ด้วยเงินทองที่เราเอาไปทําบุญทําทานเป็นอย่างเดียวเวลาทําบุญแล้วใจเราจะมีความสุขความทุกข์จะน้อยลงได้แต่ถ้าราังเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มมันจะเพิ่มความทุกข์เพราะว่าความสุขที่ได้มันได้แค่เดียวเดียวมันก็จางหายไปแล้วมันก็ทําให้เราอยากจะเที่ยวอีกหาความสุขแบบนี้อีกแล้วต่อไปเงินทองก็ไม่พอใช้ กต้องไปหาเงินหาเทาอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้เลียนถามพระอาจารย์ครับถ้าคนที่ปฏิบัติได้เป็นพระโสดาบันท่านจะรู้ตัวท่านเองใช่ไหมครับคือท่านอาจจะไม่รู้เป็นโสดาบันถ้าท่านไม่ได้ศึกษาพระคมภีมาแต่ท่านจะรู้องค์ประกอบของพระโสดาบันมีอะไรเช่นท่านจะิ่านจนรู้กฎแห่งกรรม ท่าจะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดท่านก็นจะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะถ้านเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวท่านมันเป็การดื่มน้ํำลงไปเป็นตน้นพระไม่บินทบาตได้ไหมครับแล้วบินทบาตได้ถึงกี่โมงครับคือบินธบาตนี้พระเจ้าทรงมอบให้เป็นหน้าที่ของพระทุกโลกที่มาบวช แต่ไม่บังคับแบบว่าตายตัวแต่เป็นหน้าที่ที่เพิ่งกระทมกิจที่เพิ่งกระทำสี่ข้อของสงฆ์ใครบังบุนเป็นภาพปาพั๊บพอบวชเสร็จปั๊บเขาจะสอนกิจสี่ข้อนี้คือการเินทบาลเป็นวัดเป็นหน้าที่การใช้ภาพบังสกุลเป็นหน้าที่การอยู่โคนไม้เป็นหน้าที่แล้วการา ก, นนาการนนาดื่ม น, น้ำมูลน้ำน้ามูลยาดองน้ำมู ล, มลเป็นเป็น ยารักษาโลกเพื่ออยู่แบบสมถะเร่ง่ายไม่ไปสร้างความวุ่นวายให้กับผู้อื่นให้เพิ่มตัวเองให้มากที่สุดนีครับเป็นพระนไม่ไม่ต้องการที่จะไปรบกวนคนอื่นใครมีบาตก็ไม่ให้ไปขอให้ถือบัตรเข้าไปในบ้านนนั้เในหมู่บ้านแล้วใครมีศรัทธายอยากจะใส่ก็ให้เขาใส่ก็ไม่มีศัทธาก็ก็ปล่อยเข้าไปไม่ไปรบกวนเขา ไม่ใช่ไปขอยืน tangible, หน้าบ้านก็ขอข้า ว, าวกินหน่อยครับนจะไ ม, ไม่ไม่ทำอย่างนี้ให้เดินไปเรื่อยๆการไปไหว้เชงเม้งจะเหมือนกับการอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตตามหลักชาวพุทธไหมครับไม่หรอกเพราะไม่ได้ทำบุญทำบุญ น, นอการบ ร, ริจาคเงินทองให้กับผู้หนึ่งผู้ใด enter. อเอาบรจากงินทางไปเข้าของไปแล้วก็เกิดบุญขึ้นมาในใจแล้วเราก็สามารถเอาบุญที่เกิดในใจนี้ส่งไปให้กับผู้เร่วงรับแล้วได้อาจารย์ครับเขาถามบทสวมดมนต์นิดนึงนะครับบอกว่าคำว่าอาหุเ น, นโยคำว่าเนยเวลาออกเสียงอา่านว่าเนยหรือในครับเราไม่ทำานคะรัถ้าที่ได้ยินมันไม่มไม่ใช่เนย น, นะมันเป็นในในไส้นอนในไสน้แล้วก็ยอ ในคร <iyim> ับเป็นในไม่ใช่ในอาหุในโยนาคีในโยอัญชลินกาลในโยครับในไม่ใช่ในเอาเป็นเสียงสะเอไม่ใช่เสียงสะเอครับเขาโอกาสครับไม่บริกรรมพุทโธตลอดเวลาจะก้าวหน้าไหมครับบางทีสติมันชัดเจนเองเช่นเห็นการเคลื่อนไหวของกายชัดหรือเห็นความปวดชัด แต่หลวงพ่อบอกว่าต้องบริกรรมจนใจกับพุทโธเป็นอันเดียวกันแปลว่าต้องบริกรรมตลอดเวลาไหมครับคือต่างแต่ที่ใจยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ต้องบริกรรมเพื่อให้มันหยุดความคิดถ้ามันหยุดความคิดได้มันไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็หยุดบริกรรมได้ คนแม่บอกว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดคนที่เป็นลูกควรจะทําอย่างไรดีครับก็เอ็นดูแบบไม่ไม่ผูกพันไงเอ็นดูด้วยความเมตตาด้วยเหตุด้วยผลดูแลเขาให้เขามีความสุขแต่ถ้าไม่อยู่ในเขตความสามารถที่ดูแลเขาได้ก็ต้องปล่อยวางไม่ไปทุกข์กับเขา การทำบุญด้วยการดูแลมารดาแต่อย่างเดียวไม่ค่อยได้ทําบุญด้วยวิธีอื่นเลยผลบุญในชาติหน้าจะส่งให้ไม่ขัดสนแรนแค้นหรืออย่างไรครับใช่ก็เหมือนกับการทําบุญกับพระนาาี่แหละเพราะว่ามารดาก็เป็นเหือนเบดามารดาก็เป็นเหมือนพาาระอรหันต์ของคุณได้ทำบุญกับบิดามารดาก็เท่ากับได้ทําบุญกับพระอารหันต์มมก็ได้นี่สองเหมือนกัน พ่อแม่หากเห็นลูกทําไม่ถูกต้องควรใช้คุณธรรมข้อเมตตาหรืออุเบกขาดีครับต้องทําหน้าที่ของพ่อแม่พ่อแม่เป็นครูอาจารย์ของลูกแทนลูกทําอะไรผิดก็ต้องว่าว่ากล่าวตักเตือนแต่ว่ากล่าวตักเตือนด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยอารมณ์ด้วยความอยากให้เขาเชื่อฟังเราเป็นหน้าที่ก็สอนไปส่วนเขาจะเชื่อไม่เชื่อจะฟังหรืไม่ฟังนั้นเราก็ห้าม ขอบัองคับเขาไม่ได้ก็ต้องให้เป็นไปตามบุญตากรรมของเขาหองเมื่อวานแล้ววันนี้เห็นชาวต่างชาติไปฟังธรรมน้ากุติและถามคําถามพระอาจารย์หนูฟังไม่ค่อยออกครับส่วนมากชาวต่างชาติก็ถามคําถามทางธรรมแบบไหนเลยครับคล้ายๆกับถามของคนไทยไหมครับทุกอย่างก็จะถามเที่ยวกันการปฏิบัติธรรมมากกว่าเรื่องธรรมเนี่ยเขไม่ค่อยสนใจอะไร การทบุญทำทานเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยเขาก็สนใจเขาสนใจเรื่องวิปัสสนาหรือสมถนะภาวนาการให้เงินกับญาติพี่น้องอย่างนี้ถือว่าเป็นการทําทานไหมครับเป็นเป็นการทาบุญเหมือนกันให้เงินกับใครก็ับตามก็เป็นการให้ถ้าเป็นการเสียสละเป็นจากะเป็นการบริจาค แต่ถ้าให้กับรัฐบาลนี่ไม่ถือวเป็นการทําบุญะภาษีนี่<ห> <c oughs> ก็ถูกวันถูกวันค่าให้ทําไม่ได้ทำด้วยด้วยด้วยความสมัครใจถ้าทําด้วยความสมัครใจถึงจะเป็นถึงจะเป็นบุญย้อนอ่านมหาเศรษฐีที่แท้จริงอีกรอบสมัยพระอาจารย์ทํางานที่ร้านไอศครีมแล้วตั้งใจจะบวชช่วงนั้นมีกิเลสอยากได้อยากมีมากขึ้นไหมครับ แล้วจัดการกิเลสอย่างไรครับอน้อยลงมากครับอยากจะให้ความสุขจากความสงบมากกว่าไม่ต้องการอยากจะมีอยากเป็นราชินีรัศมีนี่แล่จไม่เค่ไม่ไม่ฝันเรืงมันเลยถ้ายังมีอยากมีอยากเป็นไม่บวชไม่ได้หรอกคงจะไม่บวชได้มันต้องเบื่อทางโลกแล้วเรื่องท่เราเห็นทางโลกนี่มันเป็ น, ปนทางทางแห่งความทุกข์ไม่ใช่ทางแห่งหความสุข เห็นทางทำว่าเป็นทางสู่การสู่ความสุขที่แท้จริงถึงจะบปบวุได้บาปกรรมที่ทำกับแมวฉีดยาหลังแมวท้องเพราะไม่รู้มันเลยตายทั้งกลมแต่มื้อแมวบางตัวลอดมันมีน้ำไหลจากตูดแมวตลอดแต่เราทำเพื่อเราเลี้ยงไม่ไหวแต่ถามว่ารักครับแต่ก็ต้องคุมกําเนิดทำอย่างไรดีครับรู้สึกว่าเป็นบาปติดตัวครับ ก็ถ้ารามีเจตนาดี เ, าเพงนั้นต้องการคุมกำเนิดมันก็ไม่บาปถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะฆ่าของยังไม่ถือว่าเป็นการทําปานาติบาปมันอาจจะเป็นเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุที่ทำให้เขาตายไปแต่จะไม่มีเวรมมีกรรมต่อกัน หนูฟังสอนการนั่งสมาธิท่านพูดเกี่ยวกับนั่งสมาธิหนูเกิดนึกคิดแวบขึ้นมาลบหลู่ท่านครับจะขอเข้ามาอย่างไรครับกนะ็ขอเข้ามาตรงนั้นแหละก็หยุดเพราะว่าเราไม่ควรพูดนะเราไม่ควรคิดแบบนี้นะนั่นก็จบสอนตัวเราเอ ง, งนแะที่คนที่เราไปลบหลูดด่เนี่ยไม่เอาไปไปขอเ ข, อขอา้ามาท่านหลัท่านไม่รู่เรื่องความคิดของเรา กาบเรียนพระอาจารย์ครับได้เรียนธรรมศึกษาตีโทเอตจบแล้วต้องเรียนบาลีต่อไหมครับเห็นว่ายากมากครับเทาที่เข้าใจนบาลีเป็นการเรียนภาษาบาลีไม่ได้เป็นการเรียนธรรมะธรรมะแค่ตีโทเองนี่ก็ครบครบคร บ, ครบถ้วนนะถ้าต้องการเรียนธรรมะแล้วเอาธรรมะไปปฏิบัติแค่ตีโทเองนี่ก็พ อ, อแล้วอย่างหลวงตามหาบัวท่านก็เป็นเรียนแค่สามประโยคบาลีสามประโยค ท่นก็เห็นว่ามันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติท่้นกำลังหยุดเรียนไปหาไปอยู่กับหลวงปู่มัน่นเปเรียนวิธีปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาดีกว่าหากมีการเงินการงานติดขัดจะทําอย่างไรดีครับก็ถ้าเหตุใช้ผลเนี่ยมหาธาเหตุท่ามันติดขัดติดด้วยอะไรนักธุรกิจเขาเราตระหนักคิดรู้จกักหาวิธีแก้ปัญหา เรถึงนัน่มรวยกันได้คใ น, นวัฒนธรรม ส, สาเร็จถ้าเราไม่รู้จักวิธีกแก้เราก็ต้องจนไปเรื่อยๆอย่างนี้ตอนพระอาจารย์อยู่ที่เขื่อนจุฬาภรณ์พระอาจารย์ปฏิบัติรูปเดียวเลยไหมครับ อ, อที่นั่นก็มีพระอยู่สองสามรูปด้วยกันแล้วก็มาร่วมฉันตอนเช้าไวปบินถบานฉันเสร็จแล้วก็แยกกัไปกุฏิคายกุฏิมันไปนั่งก็อยู่ที่วานะ้านพระปฏิบัติจะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ถ้ามีถ้ามีหลายร่วมก็เวลาทำกิจร่วมกันก็มาทำร่วมกันซึ็บินธบาขก์ฉันแล้วทำปัดกวาดทำความสะอาดสถานที่นีก็ทำพร้อมๆกันพอเสร็จลับก็แยกกันไปอยู่ตามที่พระองคตนภาวนาะเดินเดียวกองนั่งสมาธิไปรักษาสี่ทาบริสุทธิ์จะถึงพระนิพพานได้ไหมครับอ๋อสิ่งอย่างเดียวไม่พอ สี่งนี้เป็นการถามให้เราไม่ไปเกิดในาบาปท่านเองปิดประตัวบาปได้ถ้าเราสาธิตได้แม่บอกว่าเพลียเหนื่อยเหมือนออกกําลังกายหนักมากแต่ความจริงแม่ไม่ได้ออกกําลังกายเลยเราหงุดหงิดแล้วบอกให้แม่ทําอะไรช้าๆเตือนแม่แม่ไม่ฟังทั้งๆที่ไม่ใช่ความผิดแม่เลยเรารู้สึกเหนื่อยแบบนี้บาปไหมครับ เพราะเราทำํำทำยากเนียเราไม่ควรไปบังคับแม่ทําแบบสบายๆมีหน้าที่แนะนําก็ขอโอกาสท่านก่อนว่าขอแนะนําได้ไหมถ้าท่านไม่ให้แนะนําก็เฉยๆไปเรามีหน้าที่เป็นคนรับใช้แม่ดูแลแม่ะไม่ใช่แบบเป็นเจ้านายของแม่มันก็เลยทําให้รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเพราะแม่เป็นผู้ผู้ใหญ่กับเรา เราควรจะให้ความเคารพแม่ไม่ใช่ไปสั่งสอนแม่ไม่ชอบการแข่งขันครับแต่ที่ทํางานอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแข่งจะจัดการความคิดอย่างไรครับก็ปล่อยเขาแข่งไปเถอะเราก็แข่งกับตัวเราดีกว่าแข่งกับการทาําความดีแข่งกับการละการกระทําความช่วยดีกว่าถอยไปเดี๋ยเขาจะ เก่งกับเราดีกับเราก็เป็นเรื่องของเขาไปเราไม่ต้องไปแข่งกับเขาคู่แข่งของเราที่แท้จริงก็คือกิเลสที่มีอยู่ในใจของเรานี่แหละที่เราต้องแข่งกับมันกิเลสมันชอบยิงเราไปทำบาปเราก็ต้องสู้กับมันกิเลสมันชอบให้เราขี้เกียจเราก็ต้องสู้กับมันเป็นต้นบางคนครอบครัวมีพร้อมไม่สร้างความเดือดร้อนแต่ยังมีทุกข์มีความยากยังสร้างนี้สินไม่หยุด เป็นเพราะนิสัยหรือกรรมชาติที่แล้วครับเออตัญหาของคามอยากตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เราต้องไปทุกข์แล้วก็ไปสร้างหนี้สินเพราะมีเท่าไรก็ไม่พอใช้ใช้ใช้เกินกําลังที่เรามีอยู่ไม่พอใช้ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมา <c oughs> ตั้งใจทํางานถือว่าเป็นบุญไหมครับเพราะว่างานที่ทําทำผลประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์ด้วยครับ คือถ้าเป็นบุญมันต้องเป็นงานที่ทําให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์ไม่ใช่ทำเพื่อตัวเราถ้าทำเพื่อตัวเรานี้ไม่ถือว่าเป็นบุญเป็นการเลี้ยงชีพเป็นการหาเป็นกิเลส ก, ก็ได้เป็นความโลภ ก, ก็ได้อาจารย์ครับอย่างผมเป็นหมอเนี่ยครับอาจารย์ผมก็มีความปรารถนาอยากให้เขาหายแล้วก็ทําอย่างดีแต่ว่าเราก็เก็บเงินค่ายาค่ารักษาด้วยอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับก็อยู่ที่ว่าเราได้กํำไรจาก การเก็บเงินเขาหรือเปถ้ากำไรก็เถอว่าเราก็ยังหางเงินท่าอยู่แต่ถ้าเราทราารําว่าขาดทุนเนี่ยเราอยอมขาดทุนเงี้ยเราก็จะได้บุญครับต้องเสียต้องเสียสลาเนี่ยแต่ถ้าได้กําไรก็เถอว่ายั ง, ย, งยังเป็นความโลภอยู่ฟังเทศช่วงบ่ายสองทุกวันครับวันที่ได้ไปตลาดเช้าอยากใสบ่บาตรแต่เห็นพระมีรอยสัก เต็มวางใจยากเลยครับขอไม่ตาสั่งสอนครับก็อย่าดูแต่ที่รูปดูที่ใจของคนท่านมาบวชได้อย่างนั้นท่านก็ต้องไม่ศีลแล้วบางครั้งได้สบายที่ท่านเป็ว่าถ้ะท่านอาจจะหลงทางท่านอาจจะชอบเรียนก็นเลยเขาสัตว์ก็อยากจะสัต์ตามไปเรื่อง น, นี้ไม่ควรที่จะมาเป็นประเด็นสําคัญเราอย่าดูคนที่รูปอย่างเดียวเราดูที่อุปนิสัยดูกิริยาอาการท่านจะดีกว่า หนูมีเพื่อนร่วมงานที่มีหัวหน้าที่ใช้กรรมทางวาจาทําให้บรรยากาศในการทํางานไม่ดีเลยอย่างนี้ควรทําอย่างไรครับทําใจก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยเขาเป็นไปเหมนกับไปอยากให้ผลไม้ชนิดนี้ให้เป็นผลไมา้ชนิดนั้นอ่างี้มันก็มันก็เป็นไปไม่ได้เราก็อยาทุกข์ใจแต่ถ้าก็เป็นผลไมา้ชนิดนี้ก็ยินดีกับ ให้เขาเป็นอย่างนี้ก็มันก็ไม่ทุกใจกันการที่เราคิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราควบคุมไม่ได้ทำให้ใจเราโล่งไม่คิดตอกการคิดเช่นนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเพราะเราคิดว่ามันเป็นอนิจจังเลไม่มีอะไรแน่ น, นอนถ้าเราเห็นตายรักเราก็จะปล่อยวางเาใจเราก็จะโล่งไม่ยึดไปติด คนที่เกิดมาชาตินี้ที่มีฐานะยากจนทางโลกแต่มีความเจริญทางธรรมเช่นภาวนาจนได้ในระดับอริยสงฆ์เช่นนี้ในภพชาติก่อนกระทำกรรมมาอย่างไรครับก็ จ, จะเป็นนักบวชมาก่อนไม่ได้ทำบุญเท่าทำแต่ภาวนารักษาสิ่งเพราะมาบวชชาติได้ก็เลยมาบวชมาเกิดก็ยากจนแล้วก็มาบวชมาเจริญทางธรรมต่อ พอจะเรื่งทาธรรมนี้จะถ้าเป็นนักบวชจะไม่มีเวลาได้ทําบุญเท่าไหร่ถ้ายังไม่บรรลุนะแต่ถ้าบรรลุแล้วหรือว่บางคนแล้วแต่บางคนอาจจะมีวัสนาบารมีเก่าถึงแม้จะเป็นนักบวชก็มีคนศรัทธาถวายข้าวของเงินทองตัวปัใจจัยให้อยู่มากมายแล้วท่านก็ทําต่อแล้วก็เอาไปทําต่อมันก็ยังมีอันนี้สองทางการทําทานอยู่ด้วยพอถ้ามาเกิดชาตินี้ท่านก็มาเกิดรวยก็ได้ แต่ก็ยังจเจรินทําทํารม้ะเช่นเดียวกันยังไม่มีอะไรแน่นอนใส่บาตรตอนเช้าครับพระท่านชอบชวนคุยรู้สึกไม่อยากใส่บาตรครับอย่างนี้ผิดไหมครับเราไม่ผิดหรอกพระท่านผิดเนี่ยท่านไม่มีหน้าที่ชวนคุยนอกจากว่าจะทักทานนิดๆหน่อยๆตามสาทุกสุขนิดพอให้เป็นพอให้เป็นมารยาทหน่อยท่านเอง แต่ไม่ควรจะสนทนาธรรมถ้ามาเบญทบาเนะียไม่มีหน้าที่ที่จะมาคุยธรรมะอะไรต่างๆนอกจากว่าเราอาจจะมีเรื่องปัจจุบันทันด่วนจําเป็นจะต้องถามท่านถ้าการ จ, จะมเมตตาตอบให้กับเราก็ได้แต่ถ้าไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆก็ไม่ควรที่จะคุยกันทําบุญมากจะมีมาระจญมากจริงไหมครับแล้วจะหนีมารได้อย่างไรครับออไม่จริงหรอือ มากน้อยอยู่ที่อยู่ที่เวรกรรมที่เราทำมาในอดีตเนี่ยปฏิบัติธรรมไปด้วยแต่ก็ยังคงศึกษาเรื่องโหราศาสตร์ไปด้วยสมควรหรือไม่หรือจะเป็นการกั้นขวางการบรรลุธรรมหรือไม่ครับก็แสดงว่าเรายังไม่เข้าถึงธรรมจริงๆถ้าเราเข้าถึงธรรมเราจะเชื่อกดแห่งกรรมอย่างเดียวเป็นตัวที่จะควบคุมชีวิตของเราให้คุณให้ทษกับชีวิตของเรา ก็คือกดแห่งกรรมไม่ใช่เรื่องของราศาติต่างๆเปิดร้านขายของที่เคาน์เตอร์คิดเงินมีลูกอมให้ลูกค้าหยิบฟรีก็ได้ถือว่าให้ทานไหมครับเจ้าของที่เขาให้ฟรีเนี่ยก็ให้ทานทุกวันนี้มีความสุขดีครับแต่เบื่อรู้สึกแบบนี้ไม่แน่ใจว่าทางทำสาเหตุเพราะอะไรครับ เพราะว่าเรายังไม่ได้พัฒนาความสุขทางธรรมนะการตั้งสติรู้สึกตัวขณะลืมตาในการทำงานแต่ถ้าต้องใช้ความคิดจะต้องทำอย่างไรครับก็มีสติรู้อยู่ความคิดไปคิดเท่าที่จาเป็นอย่าปล่อยให้คิดมากเกินไปเป้าหมายของการดน้านสติคือหยุดความคิดแต่ถ้ายังต้องทำงานนั้นใช้ความคิดอยู่ ก็คอยควบคุมความคิดให้อยู่ในกรอบของการทำงานเพราะไม่มีความจะเป็นจะต้องคิดก็กลับมาหยุดความคิดใหม่ด้วยการบาริารพูโถวใหม่คนธรรมดาขึ้นโสดาบันคือการบรรลุที่ยากที่สุดหรือเปล่าครับเนื่องจากยังจับหลักอะไรไม่ได้ครับโสดาบันนี่เป็นขั้นที่หนึ่งของการบรรลุธรรมมีสีขั้น้วยกันถือว่าเป็นขั้นที่ง่ายที่สุดก่อนก็ได้ เราขึ้นยากง่ายก็ไม่แน่ใจแล้ะเป็นอย่างนั้นหป่าแล้วแต่เราจะมองมันแต่มันก็เป็นขั้นขั้นที่หนึ่งขั้นที่เราต้องผ่านให้ได้ก่อนพระถ้าซื้อรถยนต์โดยใช้ชื่อตนเองเป็นเจ้าของอย่างนี้ถือว่าผิดสีไหมครับพระไม่ควรที่จะตหน้าที่ซื้อขายเข้าของอะไรต่างๆ ไ, ไม่ควรครอบครองอะไรต่างๆให้มีแค่อัธยบริกาานะเป็นหลัก คล้ายๆกันนะครับอาจารย์บอกพระที่สร้างโน่นนี่ขอบริจาคตลอดและบอกจะไปนิพพานอันนี้ถูกต้องไหมครับการบริจาคงินสร้างสร้า ง, างนิพพานิพานไม่ได้หรอกไปได้แค่สวรรค์เท่านั้นเองกราบขอเล่นถามพระอาจารย์ครับถ้าเราทําสมาธิไปเรื่อยๆจะทําให้เรามีปัญญาทางธรรมเพิ่มขึ้นไหมครับไม่มีหรอกสมาธิไม่เป็นตัวสร้างปัญญาตัวสร้างปัญญาก็คือต้องการ ฟังเทศฟังธรรมจากผู้ฟังเทศจากพระอริยสงฆ์ฟังเทศอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้ถึงจะได้ได้ปัญญาขึ้นมาสมาธิมีหน้าที่ทำใจให้นร่งให้สงบให้เร่งความสุขให้มีกำลังที่จะใช้ปัญญาไปต่อสู้กิเลสนั่งสมาธิมาเป็นปีแล้วครับ ทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าเราก้าวหน้าแค่ไหนครับถ้าถามว่ามันเบยังไม่รู้ก็แสดงว่ายังไม่รู้ถ้าถามว่าแสดงว่ายังไม่รู้จะก้าวหน้าก็จิตเรากต้องสงบมีความสุขจากการนั่งสมาธิถ้ายังไม่มีความสุขจากการนั่งสมาธิใจยังไม่สงบก็ยังไม่ก้าวหน้าถ้าเห็นแมลงสาบนอนหงายอยู่แล้วแต่เราไม่ช่วยอย่างนี้ถือว่าเป็นบาปไหมครับไม่บาป หากเราทำสมาธิแบบลืมตาปัดกวาดเช็ดถูเดินจงกรมผลลัพธ์อนิสง์เท่ากับนั่งหลับตาสมาธิไหมครับไม่หรอกมันสงบไม่เท่ากันถ้าเรานั่งหลับตาได้จิตจะสงบมากกว่าคุณแม่ชอบเล่นไพ่ครับลูกบน่นแม่อย่างนี้จะเป็นบาปไหมครับก็ไปบ่นทำไมไม่ใช่เรื่องของเรา เพื่อนร่วมงานลาออกแต่ไม่บอกเราแต่ไหนต่ไลก็ไม่เคยบอกพอจะออกโยนงานมาให้เราถามอะไรบอกไม่รู้จำทั้งทั้งที่เขาทำเองไม่สอนงานไม่บอกเลยแถมมาสายทุกวันหนึ่งวันก่อนเขาออกเราลาเขาโมโหมากอย่างนี้เราบาปไหมครับเราก็ะท่างความทุกข์ให้กับเราได้เองถ้าเราไปโกรธเขาเพราะเราไม่ไม่ได้ตั้งใจอยากของเราเราอยากให้เขาสอนเราพอไม่เขาไม่สอนไม่บอกแล้วเราก็เลยโกรธเขา ถ้าเราไม่อยากจะโกรธไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากได้อะไรจากเขาการบวชเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไหมครับก็เป็นความเชื่อแบบหนึ่งซึ่งก็อาจจะอาจจะเป็นจริงก็ได้อาจจะไม่เป็นจริงก็ได้อยู่ที่ว่าบวชแล้วเราสามารถทําให้พ่อแม่ได้รัประโยชน์จากการบวชของเราหรือไม่ ถบุญแล้วพ่อแม่ได้รับประโยชน์ก็แสดงว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณท่านถ้าเราสามารถทําให้ท่านเป็นพระโสดาบันได้ก็แสดงว่าเราได้ทดแทนบุญคุณที่ท่านมีกับเราได้หมดสิ้นเลยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมญาพ่อแม่นในบุญคุณล้นนอกไม่ว่าเราจะทําอะไรตอบแทนท่านก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านได้หม ด, ดวยกเว้นว่าทําให้ท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเท่านั้น ก็ถือว่าเราได้ตอบแทนมรดของท่านได้หมดเต็มที่เลยคุณเอกวิทย์ครับบอกว่าผมฟังที่พระอาจารย์ตอบภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติว่าให้ศึกษาจาก original source จากพระพุทธเจ้าจะดีที่สุดจึงอยากทราบว่าชาวต่างชาติาถามเกี่ยวกับอะไรครับพระอาจารย์จึงตอบเช่นนั้นครับเขาก็ถามแบบนุ่มบางที เขาได้ยินจากหลายทางด้วยกันครูสอนหลายแบบด้วยกันเราเลยไม่มั่นใจว่าอย่างไหนถูกอย่างไหนผิดก็เลยแนะนำว่าให้ไปศึกษาจากพกระพุทธเจ้าดีกว่าอย่างน้อยให้รู้ของจริงของแท้ว่าเป็นยังไงแล้วเราค่อยมา เ, าเปรียบเทียบกับคําสอนขคำพูดถ้ามันนะมันไม่ตรงกับคําสอนที่พระเจ้าส อ, สอนเราก็จะรู้ว่าเราสอนไม่ถูก อ่อนยายมีชีวิตอยู่หลานตั้งใจจะบวชเนนให้ยายสามารถจับจีวรเนนได้ไหมครับคือมันมันมันเป็นความเชื่อเป็นการระจับจีวรจับไม่จับมันก็ไม่ได้บุญหรอกไม่ได้ที่การจับจีวรต้องไจับจีวรอยัางให้จับนี่ก็เป็นอาบัติไหมครับอาจารย์ท่านเนรเหจับถ้าถ้าถ้านเนินรสงสัยอยู่ให้จับมันก็มันก็ไม่ควร แต่ถ้ายังไม่ได้ื้อเอามาสวนอยากไปจับก็จับได้เช่นถ้าอ oh. อยากให้จับก็จับก่อนที่เราจะบวชในอาพาธเนี่ยผ้ามันจะบวชให้ยายจับเ่อให้พอ oh. คือเวลาพ่อแม่ถวายผ้าตายให้กับพระที่จะไปบวชนี่นะยังไงจะจับได้นั้นเพราะยังไม่ได้บวชพอท่านบวชแล้วเป็นของพระแล้วแล้วถ้านท่าสนสวมใส่ก็ไม่ควรที่ไปแตะต้องเพราะมันเสี่ยงต่อการทำพระทำผิดข้อสินข้อใหญ่ มีพระบางชาติที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชามาถามับถามพระอาจารย์บ้างไหมครับเคยมีอยู่นะแต่จำไม่ได้นะคุณป้าอายุเจ็ดสิบครับอุบัติเหตุตาพิการไปหนึ่งข้างไปไหนไม่ได้สะดวกอยู่แต่บ้านสวดมนต์วันละสามเวลาอย่างนี้ได้บุญไหมครับถ้าจิงใจสงบก็ได้บุญ ครอบครัวแตกแยกครับไม่สนิทกับพ่อแม่แต่ช่วยเหลือเงินทุกเดือนและเมื่อไม่เหตุต่างๆอยู่เสมอแต่ไม่ค่อยได้ไปเจอเพราะเจอแล้วมีแต่คำพูดบั่นทอนจิตใจจึงเลี่ยงเจอตามควรเท่านั้นเมื่อท่านเห็นเราชอบไปทำบุญไหว้พระอ๋อนี้ตอนท่านจะชอบโพสคำคมประชดประชันเช่นก่อนทำบุญให้พระพ่อแม่ต้องไม่ใส่เสื้อขาดก่อน หรือพ่อแม่คือพระในบ้านทำให้รู้สึกดาวในบางครั้งครับเราควรจะทําอย่างไรครับก็เป็นความจริงเราก็ต้องดูแลพ่อแม่เราก่อนก่อนที่เราจะไปดูแลผู้ของพ่อแม่มันก็คนของเรามากแล้วบคุคคลคุณแม่ชอบด่าแม่บ้านครับใช้คําหยาบเมื่อก่อนจะคอยเตือนแต่ไม่ได้ผลจึงปล่อยไปแต่ให้เงินปลอบใจแม่บ้านแทนอย่างนี้ถูกไหมครับ ก็ทำให้แม่บ้านเขาอาจจะไม่น้อยใจอาจจะไม่ลาออกก็ได้บาลาไปให้กำลังใจขงเขาจะแก้ปัญหาความทุกข์ใจเมื่อเจอคนพูดว่าไม่ถูกชะตาเวลาที่เจอหน้าเราอย่างไรดีครับไม่ยอมรับความจริงว่าคนเรามันก็มีทั้งที่ถูกชะตาก็มีไม่ถูกชะตาก็มีเป็นเรื่องธรรมดาคนเรามน บางคนเจอกันปั๊บก็ชอบกันเลยข้อหนี้มันคนเจอกันปกเกตกันเลยข้อหนี้อันนี้อาจจะเป็นเพราะอดีตชาติมันเคยชอบเคยเกลียดชังกันมาก่อนพอมาเจอกันพบในชาตินี้มันก็มันก็ชอบและเกียรติชางกันต่อการที่เราได้กดถูกใจตามเพจธรรมะต่างๆเท่ากับเป็นการอนุโมทนาบุญหรือไม่ครับเป็นแสดงความ ความินดีของเราให้กับาด้วยความชื่นชมยินดีครับการที่เราอยู่คนเดียวบ่อยๆทําให้เราช่วยละกิเลสได้บ้างไหมครับทุกวันนี้ไม่อยากได้อะไรเลยครับเราอยู่คนเดียวได้แล้วเราก็ละกิเลสไปได้เยอะกิเลคือการเซลด้วยเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็จะน้อยลงไปอยากได้ที่สงบ เพื่อละทางโลกแต่เป็นหัวหน้าครอบครัวมีภาระและเป็นผู้หญิงลําบากมากเลยครับควรทําใจให้ลดความอยากอย่างไรครับตอนนี้อ ย, า, ยากแต่หาที่สงบสําหรับระยะยาวของชีวิตที่เหลือแต่ยังหาไม่เจอครับก็พยายามหาไปเรื่อยๆทาในส่วนที่เราทําได้ส่วนไหนเรายังทําไม่ได้ก็อย่าไปอยากทําไปเก็บลูกตาล วัดที่สุกแล้วมาทำขนมขายอย่างนี้เป็นบาปไหมครับต้องขออนุญาตทางวัดข้างก่อนเพรเป็นสมบัติของวัดถ้าเราเอามาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็เท่ากับว่าขโมยของวัดมามีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเจอคนข้างบ้านมาเช่าอยู่เป็นคนต่างชาติเป็นแขกมาส่งเสียงดังกระแทกประตูหน้าต่างเกิดจากกรรมในอดีตชาติที่ เราเคยทำกรรมกับเขาไหมครับในปัจจุบันไม่ค่อยได้สร้างเวรกรรมกับผู้ใดครับก็ไม่น่าอันนี้ต้องอ ว, ว, วิชาได้มาจะรู้ลูกชวนแม่เล่นไพ่ด้วยเพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์อย่างนี้เป็นบาปไหมครับถ้าเล่นเพื่อเพื่อเป็นเหมือนเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการไม่ไม่ได้เอา เอาจริงรอาจาังไม่เถ็นกับกํำไ ร, ราขาดทุนถึงกัรล้มละลายก็ไม่เป็นไรเล่นกันไปพอหอมปากหอมคออค่คาเวลาถ้าป่วยเกิดจากอดีตเป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่าครับการป่วยนี้มันมีหลายสาเหตุเหยือนเวนเนก ร, รเ ก, เกรรมเก่าก็อาจจะมีสวยก็ได้ เรามีวิธีอย่างไรในการที่จะทําใจทําให้ใจเราสงบรบริสุทธิ์ทุกๆวันครับว่าเนี่ยมันต้องการจริญสติพยายามควบคุมความคิดหยุดคิดให้มากที่สุดเท่าที่จะทํ า, ยาได้ด้วยการใช้คำบริการมพุโทโธพุโทโธหรือการสวดมนต์หรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไวหวการกระทําต่างๆของร่างกายอยากให้ปล่อยให้ใจคิดเป็นอิสระพยายามหยุดคิดให้ได้ยิ่งคิดน้อยเท่าไหร่จก็จะบริสุทมากมากขึ้นไปเท่านั้น เราควรมีระยะห่างกับเพื่อนที่ผิดศีลหรือไม่ควรครบไปเลยครับถ้าไม่คบเขาได้เลยจะดีกว่าเพราะถ้าคบเขาเขาก็อาจจะเดินมาไปในทางของเขาได้การทำบุญเราควรจะเลือกพระไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการทำบุญแล้วต้องการทำมาจัดท่านเราก็ต้องเลือกพระ เพราะว่าพระแต่ละรูปนี้มีธรรมะ ม, มาน้อยไม่เท่ากันแต่ถ้าเราเพียรธรร ม, มเพื่อบอยจาคเพือพ่อสละความตันนิเพื่ออาชนะความโลภเราจะทํางกบใครก็ได้กราบพระอาจารย์ครับทุกวันนี้หนูใส่บาต ท, ทุกเช้าสมาธิทําบ้างไม่ทําบ้างพออาทิตย์ก่อนได้ฟังธรรมพระอาจารย์ที่ว่าอย่าไปอยากใครเป็นอย่างโน้นอย่างนี้หนูเอาไปปฏิบัติ ตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าเวลาลูกน้องทําผิดความโกรธมีแต่จิตใจหนูมันบอกว่าจะโกรธแล้วนะก็ใจเย็นลงความโกรทน้อยลงหนูอยากทราบว่าอาการเหล่านี้เป็นปัญญาหรือเปล่าครับ ก, ก, ก็เป็นรู้เพิ่นรู้ถูกการรู้เพิ่นรู้ถูกรู้กิเลนนี่ก็เป็นปัญญาแล้วรู้ความโกรธนี่ถือว่าเป็นปัญญา การที่เราทําบุญตักบาตรกับพระที่พร่องศีลโดยที่เราไม่รู้เราจะได้บุญไหมครับได้ไดเหมือนเดิมเราจะทําอย่างไรให้เราหยุดคิดสิ้นคิดมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาครับก็นี่แหละใช้คําบริกรร ม, มคอยบังคับใจให้เฝ้าอยู่การเคลื่อนไหวหการกระทำต่างๆของร่างกายไปแล้วต่อไป ความที่มันก็จะน้อยน้อ ย, อยลงไปเรื่อยๆอนไรที่สุดก็จะหยุดคิดได้แต่จะให้มันหยุดคิดนี้ต้องนั่งหลับตานั่งนั่งทำสมาธินั่งสมาธิแล้วตัวมันร้อนครับมีวิธีแก้อย่างไรครับไม่มีหรอกก็ปล่อยให้มันร้อนไปเป็นเรื่องาาาของธรรมชาติของร่างกายเป็นอย่างนี้ถ้าหัวหน้าครอบครัวสนใจการทำงาน การงานทางธรรมแต่ไม่ค่อยรับผิดชอบการงานทางโลกทําให้ไม่สามารถรับผิดชอบครอบครัวได้อย่างที่ควรทําทําให้เราเป็นทุกข์อย่างนี้เขาทาถูกต้องไหมครับและเราควรรู้สึกและทําใจยอมรับอย่างไรดีครับมโทุกเพราะเรามีความอยากให้เขาทำหน้าที่ของเขาให้ใหไม่ให้บุบล่องแต่ถ้าเรายอมรับว่าเขาเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะไปหวังว่าไปบังคับให้เขาทำตาที่เราต้องการได้ เราก็จะไม่ทุกเราต้องรดรับความอยากของเรา ค, รความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราไม่ได้อยู่ที่การบกพ้องในหน้าที่ของเขาในฐานะที่เป็นครูครับอยากสอนให้นักเรียนเป็นเด็กดีมีอนาคตที่ดีแต่นักเรียนก็ไม่เชื่อฟังเราต้องทำใจอย่างไรครับรก็ปล่อยวางทํทหน้าที่ของเราไปส่วนว่ามัจะทำหน้าที่ของเขาหรือไม่นั้นมันเป็นเรื่องของเขา เราบังคับเขาไม่ได้คนขี้ประจบหัวหน้างานเพื่อตัวเองจะก้าวหน้าหัวหน้าหลงเชื่อและเขาเก้าวหน้ามากกว่าคนที่เงียบๆแต่ทํางานจริงคนประจบบางครั้งพูดเอาดีแต่ตัวเองเล่นพรรคพวกร่วมหัวนินทาแบบนี้เขามีบุญเก่ากับกับหัวหน้าหรือเปล่าครับไม่รู้จะมีบุญเก่าหรือเปล่านะแต่ปัจจุบันเขาอาจจะถูกใจกันก็ได้พอใจของกายเราทำของ ของเขาไม่ได้พร ะ, ะเล่นหวยเป็นบาปไหมครับไม่ใช่หน้าที่ของพระไม่ใช่กิจของสงฆ์คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วเราได้ดูแลท่านอย่างดีที่สุดจนวาระสุดท้ายแต่ในปัจจุบันเรายัางอุทิศบุญให้ท่านทุกวันเป็นสิ่งที่ดีที่ควรหรือไม่ครับ ด, ดีได้ประโยชน์ทั้งเราและท่าน ทําบุญเราก็ได้บุญด้วยบุญที่เราทิ้งคือพ่อแม่ก็จะได้บุญด้วยขอโอกาสอาจารย์นะครับตอนนี้คําถามใกล้จะหมดนะครับสามารถจะส่งคําถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับคุณวิภารัตน์ครับตอนนั่งสมาธิเห็นจิตตัวรู้ไม่มีการเกิดดับสังขารแล้วต้องวางจิตอย่างไรต่อครับก็วางไว้เฉยเฉให้สักแต่ว่ารู้ไป ให้หยุดคิดแล้วก็รู้เฉยๆไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยไร้สาระจะกลายเป็นเรายึดตัวยึดตนมากไปหรือไม่ครับและจะแก้อย่างไรครับไม่หรอกมันเป็นวิธีที่ถูกต้องในทางปฏิบัติคนจะชอบอยู่คนเดียวนอกคากที่จะไม่พูดไม่คุยกับใครเพราะการพูดคุยชนิดมันก็จะ เป็นการสร้างความพู่งสางให้กับใจสร้างความเท่าเทียมกับใจนักปฏิบัติเราต้องพยายามควบคุมความความคิดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พระที่สกุลท่านสอนทําสมาธิเพื่อเป็นฌานถึงจะเกิดปัญญาฟันกิเลส ข, ขาดอย่างนี้ไม่ถูกหรือครับก็ถูกนะก็ต้องให้มีฌานก่อนเพียงแต่ว่าฌานไม่ไม่เปลี่ยนไปเป็น ป, นปนัญญาท่านเองฌานก็เป็นฌานความสงบ ยารจะได้ปัญญาก็ต้องศึกษาคําสอนของพระเจ้าสอนศึกษาลิข ส, สัตว์ศีลศึกษาใต้รักถึงจะเป็นปัญญาขึ้นมาคนที่เคยทํำบาปมาแต่ช่วงหลังรักษาศีลทําบุญให้ทานสวดมนต์สมาธิจะสามารถเป็นโสดาบันได้ไหมครับได้ถ้ายังไม่ตายแล้วยังปฏิบัติ ท, ทําขั้นสูงขึ้นไปได้มันก็มันรู้ได้อดีตที่ทํามานไม่เป็น มันมันไม่มีผลต่อเราถ้าเราสามารถทำปัจจุบันให้ดีกว่าอดีตที่เราทำมาได้มอบเงินให้คนทำพัตตาหารถวายพระภิกษุได้บุญเหมือนกับการใส่บาตรหรือเปล่าครับได้ไ ด, ได้ได้บุญจากการบริจาคแต่ไม่ได้บุญจากการทำกับข้าวคนเรามันมีสองส่วนด้กันทำกับข้าวเองแล้วก็บริจาคข้าวของเงินตา ด้วยอันนี้ก็จะได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าเรามาจาบเพียงแต่เงินทองแต่เราไม่มีเวลามาทําออกเข้าวเองให้คนอื่นทาให้คนอื่นเขาได้บนส่วนนั้นไปเพิ่งจะเจอก้อนเนื้อร้ายที่ลำไส้ครับตอนนี้ร้องไห้หนักมากครับไม่อยากอยู่เลยครับพอาจารย์จะทําไรได้ล่ะมันเป็นอยของมันอย่างนี้ยก่อนที่เราก่อนเมือ่อก่อนเราไม่รู้มันเราก็ทําานไม่เห็นน่องให้แล้วก็อยู่กับมันมาได้ใช่ใช้ผลสิ เขอยู่กับมันไปจงกว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แยกทางกันไปเขาก็ไปทางหนึ่งแล้วก็ไปอีกทางหนึ่ ง, น, งน้องหอมน้องผ้าเขาไม่เกิดประโยชน์ลเลยช่วยมาสร้างพลังให้กับใจ <c oughs> ให้ปล่อยวางเขาดีกว่าปล่อยวางร่างกายให้ได้ตั้งใจเราก็จะไม่ทุกกับเขาสามีขัดแยง้งต่อต้านกับเราทุกๆคําพูดมีหลักปฏิบัติทางใจอย่างไรครับ ก็อย่าพูดเนเรื่องที่ขัดแย้งกันนะพูดแต่เรื่องที่เห็นเห็นพร้องต้องกั น, นเ้ามีคำค ำ, คำคำคำคมที่ว่าให้เชื่ม้อนส่วนต่างภานส่วนเหมือนด้านเราเป็นส่วนที่ต่างกันพูดทีไรก็ทะเลาะกั น, ก, นก็อย่าพูดเรามีพูดในเรื่องที่เห็นพร้องต้องกันโอเคอเนี้ดีกว่าก็จะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน คุณพ่อชอบกินเหล้าเมาแล้วชอบพานแม่ครับและคนรอบข้างบ้านด้วยเราไปห้ามหรือต่อว่าพ่อแบบนี้เราเป็นบาปไหมครับก็เป็นลูไว่าไม่ควรทำกับพ่อกับแม่นอกจากว่าท่านต้องการให้เราบอกก็เราบอกได้แต่อยู่ดีๆเราไปสั่งไปสอนท่านไม่ถูกทำไม่ได้ตอนบวชที่วัด ไม่มีพระพี่เลี้ยงสั่งสอนจะรู้วิธีปฏิบัติได้อย่างไรครับก็ต้องศึกษาเองระหว่างวันพยายามทำความรู้สึกตัวเรื่อยๆแต่ไม่ได้ทำสมาธิอย่างนี้ได้ไหมครับก็ได้สติแต่ยังไม่ได้สมาธิสติกับสมาธิมันคนละอย่างกันสติเป็นเหตุให้เกิเกดสมาธิแต่จะเกิดสมาธิได้ต้องนั่งเฉยๆไม่ทาอะไร และใช้สติควบคุมความคิดให้หยุดความคิดให้ได้ถึงจะได้สมาธิขึ้นมาการทำบุญกับพระสุปฏิปันโนกับพระทั่วไปอย่างนี้ได้บุญต่างกันไหมครับบุญมันมีสองส่วนบุญที่เราจะเวลาเราทำบุญนี้บุญที่เราเสียงงเทาไว้จากวนันนี้เท่ากันไม่ว่าเราจะทำออกับใครก็ได้แต่บุญที่เราจะได้รับจากคนที่เราไปทำบุญด้วยนี้จะต่างกันคือไปทาบุญกับคนที่มี มีธรรมะท่านก็จะเอาธรรมะมาสอนเราถ้าไปทำบุญกับคนที่ไม่มีธรรมะท่านก็ไม่มีธรรมะมาสอนเราอันนี้ต่างกันมีพระทักมาบอกบุญครับแต่เราไม่ตอบแบบนี้เราบาปไหมครับไม่บาปคนที่เสียชีวิตเร็วถือว่าหมดกรรมเร็วหรือเปล่าครับ ก็การตายมันก็ม so ีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันฉนั้นก็มันก็ไม่แน่นอนว่าเป็นเหตุใดบ้างก็ให้รู้ว่าตายกันแล้วกันจะไม่ต้องสนใจเราเป็นเพราะอะไรให้รู้เกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนเช้าแล้วอ่านกันที่บุญทั้งที่บุญที่เหตุปัจจัยนี่เลยสังเกตตนเองว่าเรามีอารมณ์ดีช่วงเช้าอารมณ์ขุนมัวช่วงเย็นฟังคนที่เรามีอคติด้วยแล้วเกิดความคิดลบ พอรู้ตัวแล้วก็ตกใจถึงความขึ้นลงเราควรฝึกฝนอย่างไรครับกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ครับก็ชมช่วงที่เรามีคามํคาคว า, ความคําคิดแล้วเราก็พยายามใช้ฝึกสติให้มากในะช่วงนั้นพยายามคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดแมวตายเจ้าของไปบวชชีแมวจะได้บุญไหมครับ การจะอุทิศบุญนี้ต้องอุทิศด้ยการทำบุนทาทานไม่ได้เป็นการไปบวชเวลาปฏิบัติบางวันก็สงบบางวันก็ไม่ได้ผลเราควรวางใจอย่างไรเพื่อไม่ให้หมดกําลังใจครับก็การปฏิบัติของเรายัางไม่แน่นอนอยังไม่ <c oughs> ยังไม่สถียิคือสติที่เป็นเหตุให้เราสงบได้เรายัางขาดขาดเกินเกิ น, นอยู่ วันไนสติดีก็มานั่งก็สงบวันไหนสติไม่ดีวันนั้นก็ไม่สงบนี่ก็เราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นอนิจจังไม่เที่ยง ไ, ไม่แน่นอนไปถวายสังฆทานที่วัดแต่ว่าเห็นที่กุฏิถังเป็นร้อยเลยครับทําให้ไม่อยากทําครับก็อ ย, าย่าโยมเป็นคนไปถวายท่านเลยไปว่าท่านทำไม <laughs> ก็ไม่ถวายที่อื่นก็ได้ ทรายที่เขาไม่มถังเป็นร้อยก็ได้ธรรมะคือหน้าที่ถ้าต้องรับผิดชอบงานทางโลกและทําอย่างสุจริตถือเป็นการปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับคือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงในการปฏิบัติจิตตภาวนานั่งสมาธิจารมิปัสสนาส่วนการทำนัดทำสุจริตย่อมเป็นการรักษาศีล ก็เป็นธรรมะในระดับเหมือนกันเราจะทำจิตใจให้สงบนิ่งเข้มแข็งอย่างไรมีปัญญามากๆอดทนไม่วอกแวกมีพลังจิตเยอะๆขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ครับก็าต้อนั่งสมาธิให้จิตสงบเป็นอูเบคาขึ้นมาพลจิตก็จะมีพลังที่รับกับเหตุการณ์ต่างๆให้ไม่วอกแวก เพื่อนทำบุญแล้วส่งข้อความมาให้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยทุกๆวันแต่ไม่ได้ตอบจะเสียมารยาทไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราเร า, เรากับเข า, เามีมีความสมัมพันธ์แบบไหนถ้าเราคิดว่าเป็นการเสียมารยาทเราก็ตอบไปถ้าเราคิดว่าไม่เสียมารยาทเราก็ไม่ต้องตอบนั่งสมาธิไปสักประมาณยี่สิบสามสิบนาทีแล้วมีเหงื่อออกตัวและหลังเปียกจะแก้อย่างไรครับ ไม่น้องแก่แล้วก็เป็นไปตามเรื่องของร่างกายมันเป็นธรรมดาแบบนี้มันเป็นแบบนี้เราก็ควบคุมบางครับมันไม่ได้ก็ปว่ามันเป็นไปทด้เองการเลี้ยงแมวได้บุญไหมครับก็ได้ความเมตตาก็ได้บุญเหมือนกันช่วงนี้หนูกลับมาทำงานบริหารทำให้วุ่นวายกับเรื่องต่างๆมากวันหนึ่งหนูลองถอยมาดูว่าจิตเราทำไมยุ่ง ก็ระลึกว่ามีความอยากมากเช่นอยากทํางานให้สําเร็จอยากให้ลูกน้องรักเป็นต้นแต่ถ้าอย่างนี้แปลว่าหนูยังห้ามความอยากไม่ได้แม้จะระลึกได้ตอนหลังทําอย่างไรจึงจะระงับความอยากนั้นได้ตั้งแต่แรกครับไม่ต้องมีสติคอยครอบครงการทำงานเราทุกทุกทุกขณะแล้วคอยสังเกตว่าเราทำํำด้วยความอยากหรือเปล่าหรือเราทําไปตามหน้าที่ เราควรจะทำยังไงถ้าแม่ป่วยแล้วเรามาทำงานจะผิดไหมถ้าเราไม่ได้ดูแลท่านแต่จะไปหาทุกอาทิตย์พี่ชายก็บอกให้มาทำงานแต่จะถามตัวว่าทำถูกหรือเปล่าครับก็อยู่ทีเ่เราก็อยู่ที่แม่เนียว่าแม่ดูแลตัวเองได้หรือมไม่ถ้าแม่ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วไม่มีใครดูแลเราก็ควรจะไปดูแลท่านแต่ถ้ามีคนอื่นเาดูแลอยู่เราก็ไม่ต้องไปก็ได้ แต่ถ้ า, าอยากจะตอบแทนบุญคุณอยากจะแสดงความกตัญญูล้วก็ควรไปดูแลท่านด้วยการนอนฟังเทศเป็นบาปไหมครับมันยังไม่เป็นบาปแต่มันก็เนหลักนอกจากว่าท่านเราไม่สบายก็เป็นไปอย่างหนึ่งถ้าเป็นไปได้ควรจะอยู่ในท่านนั่งฟังเพราะผู้แสดงท่านก็ไม่ได้นอนแสดงธรรมท่านก็นั่งแสดงธรรมท่านก็ควรจะให้ความเคารพต่อผู้แสดงธรรมด้วย ไม่ได้ปลูกฝังลูกให้เข้าวัดทําบุญแต่เด็กจะเป็นยังไงครับในอนาคตครับเขาไม่จะทําบุญไม่เป็นนะถ้าก็ไม่มีนิสยัยฐันดานเดิมมากับเขาเขาก็จะไม่ทําทุกวันจิตมีทั้งคิดเป็นกุศลและอกุศลเราจะทําอย่างไรให้จิตเป็นกุศลตลอดเวลาครับก็ต้องฝึกสติค่อยควบคุมความคิด กับสอบถามครับปกติบ้านตรงข้ามกับร้านซ่อมรถยนต์มาเลเขาไม่ค่อยเกรงใจเอารถที่ร้อนมะาซ่อมหน้าบ้านมีกลิ่นน้ํามันและสมบกุกโยมเห็นตัวเองโกรธพยายามห้ามใจให้นิ่งแล้วพูดดีๆแล้วหลายครั้งจนเริ่มไม่พูดจะวางใจอย่างไรในการทําใจให้ยอมรับว่าเป็นกรรมของเราครับก็อยู่เฉยๆไปเหมือนกับเราไปสู้เราเดินฟ้ากั สู้กับฝนตกแดดออกเรสู้ไม่ได้หรอก็ปล่อยให้มันไ ป, ไ ป, ไปตามตามเรื่องของมันไปสวดมนต์ตอนแรกดีๆสวดไปสวดมาเสียงสั่นเป็นคนแก่ ง, ง่อมครับเป็นเพราะอะไรครับไม่ทราบ้าโสดาบันยังมีโมหะอยู่ไหมครับยังไม่หมดยังไม่มมโมหะบางส่วนหมดไปแล้วแต่ยังไม่หมดทวารเปอร์น บริกรรมพุโทโธต้องพยายามเพ่งให้คำว่าพุโทโธชัดด้วยไหมครับท่องพุโทโธแล้วชอบเผลอครับแม่พุโทโธหายการบริกรรมไม่ให้คำว่าพุโทโธหายไปจากใจให้มีพุโทโธอยู่เรื่อยๆถ้าหายก็แสดงว่าเราหยุดท่องพุโทโธแล้วจิตใจจดจ่อกับการทํางานคือการมีสติใช่ไหมครับ ก็เป็นการมีสติแบบหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นแบบแบบแบบที่เราต้องการแบบที่เราต้องการนี้เราให้จดจ่อกับการเคลื่อนไหวของการทํางานของร่างกายแต่ไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆไปด้วยแต่ถ้าเราทำงานนี้เราจดจ่อของงานแต่และก็ยังใช้ความคิดอยู่ของงานอย่างนี้ก็ได้สติเพียงครึ่งเดียวได้สติตรงที่ใจจดจอ่อแต่ใจยังไปคิดเรื่องนั้นนี้อยู่ใจก็จะไม่หยุดคิด เราต้องการทำให้ใจยหยุดคิดด้วยจดจ่ออยู่เงื่อนเวลวเพื่อให้ใจยหยุดคิดสามีเวลาอารมณ์ไม่ดีชอบพูดจาห ย, ยาบคายลูกก็ได้แต่นึกพูดโทรอย่างนี้ถูกต้องไหมครับทำให้ใจเราสบายก็ถูกต้อง นั่งสมาธิฟังธรรมะหน้ากุฏิกับพระอาจารย์กำลังใจมีมากครับเวลาปฏิบัติเองที่บ้านควรสร้างกำลังใจอย่างไรครับก็ให้มีสติเหมือนกับที่เรานั่งอยู่ที่หน้ากุฏิกำลังใจอยู่ที่การมีสติมันต้อไม่มีสติเป็นหลักการที่เราไม่ค่อยเข้าวัดแต่นั่งสมาธิเป็นหลักได้บุญมากกว่าไหมครับ เาวัดไม่เข้าว่าไม่ไม่เป็นประเด็นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติมากกว่าไม่คข้าวัดแต่ปฏิบัติก็ดีกว่าคนที่คาวัดแล้วไม่ได้ปฏิบัตินะาผมเคยไปขอปัญญาจากพระอาจารย์เรื่องคนที่พูดไม่ดีและทําตามที่พระอาจารย์แนะนําคือไม่สนใจและซื้อของที่เขาชอบไปฝากเขาด้วยครับพระอาจารย์เคยบอกว่าเป็นการแผ่เมตตาเพิ่งเข้าใจก็ครั้งนี้ครับว่าแผ่เมตตาจริงๆครับ มอบเงินให้กับคนที่จะบวชพระที่ขาดแคลนทรัพย์กับการทําบุญใส่ย่ามพระบวชใหม่อย่างไหนได้บุญมากกว่ากันครับก็ได้เท่ากันถ้าเป็นปริมาณเงินเท่ากันนะขอพระอาจารย์อธิบายการดูลมหมายถึงการระลึกรู้มีสติใช่หรือไม่ครับการเท่าดูมันดูทีวีอเงี้ยดูลมเท่าลมออกที่ปาจมกูก เวลาเราเข้าเาออกมันจออกแถวเวลามันจะเข้าออกไปเข้าออกแถวบริเวณป่ายจมูกมันจะสัมผัสรับรู้กับกับปลายจมูกหรือกับบริเวณที่เหนือหนึ่งพิปากขึ้นมาก็าให้ให้เฝ้าดูบิญญาณเฝ้าเฝ้าบ้านเนี่ยฝ้าเฝ้าประตูคนเข้ามาก็รู้ว่ามีคนเข้ามาคนออกไปก็รู้ว่ามีคนออกไปให้ดูเฉย ช่วงก่อนหนูปฏิบัติดูกายเห็นอย่างแจ่มชัดครับตอนนี้หนูปฏิบัติดูจิตตัวเองเวลาโลกโกรธหลงเกิดขึ้นแล้วรู้ทันได้ไวกว่าเดิมเห็นความเกิดดับไวขึ้นแล้วกิเลสเกิดขึ้นมามีสติแล้วไม่ปรุงแต่งแบบนี้หนูปฏิบัติถูกไหมครับก็ให้ปฏิบัติจนเข้าหยุ ด, ยดกิเลสได้ คนที่เป็นผู้นําวางแผนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทําร้ายทําลายล้างผู้อื่นบาปเป็นของใครและบาปข้อไหนครับเป็นบาปเท่ากันนะคนสั่งก็ดีคนทำก็ดีไมได้บาปเท่ากันทําเองก็ดีสั่งให้ผู้อื่นก็ทําบาปก็ดีผลมรดกเกิดขึ้นกับทั้งสองคนคนที่สั่งกับคนที่ไปทํา เวลานั่งทํางานวันละแปดชั่วโมงนั่งได้เวลานั่งภาวนาฝึกหัดจิตใจทํายากมากควรทําอย่างไรครับเพราะสติเรามีกําลังไม่มากพ อ, อกที่จะทําให้จิตใจไม่ดิ้นที่มันนั่งแล้วลำบากเพราะจิตใจมันยังดิ้นได้อยู่ดิ้นอยากอยากอยากทำอย่างนั้นอยากจะทําอย่างนี้อยากจะคิดเรื่องนั้นอยากจะคิดเรื่านี้พอเราไปควบคุมบังครับงไม่ให้มันทํามันก็เลยเกิดความความยากขึ้นมาในใจ จัดบ้านเจอซองที่เพื่อนฝากทําบุญค้างอยู่หลายซองครับคนทําอย่างไรเอาไปทําบุญอย่างอื่นโดยระบุชื่อเพื่อนได้ไหมครับคนเกินเพื่อนเข้าไปเดียนดีกว่าไม่อยากยึดติดสามีเพราะรู้ว่าสุดท้ายต้องพลากจากกันและไม่อยากหึงหวงอยากปล่อยวางจะต้องทําอย่างไรครับก็เนี่ยก็เฉยๆไปเท่านั้นเองเขาจะไปเขาไปเขาจะ ไปอยู่กับใครก็ปล่อยเข้าไปเลยหลังทําสมาธิสวดมนต์กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลที่ถูกต้องต้องหยดน้ําลงดินหรือไม่ครับการใช้น้ําอุทิศบุญนี้เป็นเป็นพิธีกรรมมันไม่ได้เป็นตัวบุญแต่ก็น้ํานี่มาทําเป็นลักษณะเป็นแทนตัวบุญเพราะบุญเป็นสิ่งที่เรามองเห็นกับตาไม่ได้ก็เราใช้น้ํามาเป็นตัวอย่างแทนบุญแทนเอง เป็นการอุทิศบุญจริงๆ จ, จะใช้น้ำก็ได้ไม่ใช้น้าก็ได้มันอยู่ที่ใจอุทิศที่ใจอุทิศที่ความรู้สึกตอนนี้เราทำบุญแล้วมีความสุขใจจากการทำบุญขอแบ่งบุญส่วนนี้ให้กับผู้ที่ลงลับไปแล้วอันนี้ก็ทธได้อุทิศแล้วเป็นโรคซึมเศร้าครับฝึกปฏิบัติเริ่มดีขึ้นแล้วครับจะต้องทำอย่างไรต่อครับทำต่อไปทาให้มากขึ้นจงการลรคจะหาย ไม่เคยมีแฟนครับอยู่ตัวคนเดียวมีบุญหรือมีบาปมากกว่ากันครับก็อยู่ที่ว่าเรามีสุขว่ามีทุกข์อย่างไหมากกว่ากันถ้ามีสุขมากกว่าก็มีบุญมากกว่าบาปถ้ามีทุกข์มากกว่าบุญก็จะมีบาปมากกว่าบุญอยู่ที่ความรู้สึกในใจเราสุขหรือทุกข์นี่ขอปัญญาพระอาจารย์ในการเจริญกุศลจิตให้ได้มากขึ้นครับ เบื้องต้นก็นจะฝึกสติให้หยุดความคิดให้ได้ก่อนพ่าเราหยุดความคิดได้ต่อไปเราก็สามารถสั่งใจให้คิดในเรื่องที่เป็นกุศลเช่ในให้คิดว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำบาปเราจะทาบุญเราจะหยุดกิเลสหยุดความโลภความโกรดความหลงเราก็จะสามารถทำตามที่เราคิดได้ถ้าเรามีสติคอยควบคุมความคิดอยู่ทำงานไปด้วยทับ ฟังเทศไปด้วยอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปเราะเนี่ยจะได้ไประโยชน์ครึ่งต่อครึ่งงานก็ได้ครึ่งเดียวการฟังเทศก็ได้ครึ่งเดียวเพราะเราต้องแบกใจไปทั้งสองส่วนไปนี้ทํา ง, งานด้วยไปที่การฟังเทศด้วยมันก็จะไม่ได้ครบร้อยทั้งสองส่วนเราควรนั่งสมาธิช่วงตื่นนอนหรือก่อนนอนช่วงไหนน่าจะเหมาะและเห็นผลกว่ากันครับแล้วแต่เราช่วงไหนที่ได้ผลก็ช่วงนนั้น พระที่ใส่บาตรทุกวันมรณภาพไปแล้วครับทําบุญใส่บาตรให้ทุกวันท่านจะได้รับบุญไหมครับก็แล้วแต่ว่าท่านรอรับหรือเปล่าถ้ารอรับก็ได้รับบุญถ้าไม่ได้รอรับก็ไม่ได้รับบุญความคิดเป็นเหตุของกรรมดีและกรรมชั่วไหมครับก็ความคิดนี่เป็นเป็นไม่รู้ทํใช้คําว่าเป็นเหตุไนดะ้เป็น เป็นเครื่องมือของการคิดดีและคิดช่วงการทำก็เกิดจากความคิดนี้การใส่บาตรในทุกวันแล้วตั้งจิตขอให้ชีวิตอยู่ในศีลในธรรมเจริญในอริยสุรัสขอบคุณครับเนี่ยการใส่บาตรในทุกวันแล้วตั้งจิตขอให้ชีวิตอยู่ในศีลในธรรมเจริญในอริยะครับ <c oughs> คือมันก็ละเรื่องกการใส่บาตมันก็ไป็เรื่องของการใส่บาตรกาอยากให้อยู่ในสีให้ธรรมมันก็เราอยู่ที่ความตั้งใจของเราเวลาที่สุนัขและแมวตายต้องทําพิธีเผาทําบุญให้ด้วยหรือเปล่าตอนเด็กเห็นสุนัขและแมวตายก็ขุดหลุมฝังในสวนแต่เดีนี้เห็นมีบาง<ะ>วัดรับเผาครับอาจารย์ก็แล้วแต่เราเป็นเจ้าภาพเราอยากจะทํำยังไงก็ได้ทําพิธีก็ได้ไม่ทําพิธีก็ได้ คำถามคล้ายๆกันครับอาจารย์บอกว่าถ้า น, นำร่างน้องไปฝังแล้วจะไปเกิดเป็นคนใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าบาปที่เขาทําให้มันหมดหรือยังถ้ายังไม่หมดอาใจก็ต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์ต่อไปอ ก, ก็ได้คุณแม่เสียชีวิตกระทันหันมากครับยังปล่อยวางไม่ได้เลยครับทุกข์ใจมากครับอาจารย์เพราะเราไม่พิจารณามา ก, ก่อนว่าการพระธาตจากการเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เลยพยายามเตือนใจสอนใจให้ยอมรับความจริงอันนี้ให้ได้ คนข้างบ้านติดยาครับสร้างความเดือดร้อนให้เราเป็นเพราะอดีตรเราเคยทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่นมาใช่ไหมครับใช่ครับบางครั้งเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขแต่เรามีทุกข์มากกว่าคนอื่นรู้สึกน้อยใจหดหู่ใจได้ค่าตัวเองต้องทำใจปล่อยวางถึงไรไม่ให้ฟุ้งซ่านคิดเรื่องต่างๆอย่างไรบ้างครับ ก็บางคนที่เขาทุกมากกับเราอยู่ด้วะคนเรามีทั้งทุกข์มากกับเราทุกข์น้อยกว่เราอยู่ที่เรามองคนไหนถ้าเรามองคนนี้เขาทุกข์มากกว่เราเราก็จะรู้สึกว่าเราดีกับเขาเยอะนะมันจะไม่น้อยใจเวลาที่ผมถวายอาหารหรือปัจจัยอื่นๆผมอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอถวายปัจจัยนี้เพื่อทํานุบํารุงศาสนาอย่างนี้ได้ไหมครับได้ เลี้ยงแมวจรไว้ครับขังไว้ไม่ยอมปล่อยไปก็บาดเจ็บต้องเสียเงินทำให้เครียดควรวางใจอย่างไรดีครับก็วางใจก็คือต้องยอมยอมจนน่ายท่านการบนกับพระพอสมหวังก็แก้บนเป็นการติดสินบนพระไหมครับอย่างนี้เป็นบาปไหมครับก็เป็นเป็นพิธีกรรมอย่างเป็นการกระทำอย่างหนึ่งมันไม่เป็นบาป ก็เป็นเป็นการความเชื่อของเราว่าถ้าเราขอมาจากพระแล้วเ ร, เราได้แล้วรตัอตอบแทนตามที่เราสัญญาไว้เท่านั้นเองมันไม่ใช่เป็นเรื่องบาปไม่แม้เลยการถวายผลไม้เพื่อไหว้พระพุทธรูปถือเป็นการทําบุญไหมครับไม่เป็น เ, เพราะว่าไม่ได้ถวายพระพุทธรูปก็ไม่ได้กินของที่เราถวาย ถวา้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอากลมากินเองมันก็ไม่ได้บุญถ้า อ, อยากจะได้บุญ<ม>เราต้องเอาของที่ยวถวายนี้ไปใส่บาตรเราก็จะได้บุญกลับถามพระอาจารย์ครับทํายังไงจิตถึงจะตั้งมั่นจนเหมาะแก่การงานครับการงานแบบไหนนะคือมันต้องมีสติถึงจะตั้งมั่นได้ไม่ว่าจะงานการงานแบบไหนก็ตามถ้ามีสติจิตเราก็จะมีสมาธิมีความตั้งมัน่น จะสามารถทํางานต่าง ๆ, ๆให้รูเรื่องไปได้อย่างอย่างไม่เกิดความเสียหายมีคนพานอยู่ในบ้านครับทําให้ใจเราเป็นทุกข์ควรจะแก้ไขอย่างไรครับเพราะเราอย่างไม่เจอเขามันก็เลยเป็นทุกข์เราต้องเจอเขาก็ต้องทําใจว่ า, วาเขาพานเรื่องของเขาไปต่างควายต่างอยู่ขึ้นไปห้ามเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราไม่ต้องไปทุกข์กับเขาได้ ที่เราทุกข์เราเราไม่อยากจะอยู่ข อ, ขขอคําแนะนําพระอาจารย์ครับการเดินทางสายกลางนี้คือปํากลางอย่างไรครับคือในสมัยก่อนที่พระเจ้าตัสสรุนี่มีคนใช้วิธีดับความทุกข์ด้วยสองทางด้วยกันทางหนึ่งก็คือการใช้ความความสุขทางรูปสิง่งเดีวยวนั้นมาดับความทุกข์ก็ดับไม่ได้อีกทางหนึ่งก็เป็นการใช้การเจ็บ การสร้างความเจ็บปวดของร่างกายขึ้นมาเพื่อระดับความทุกข์มันก็ดับไม่ได้เหมือนกันพระอาจารย์ทรงค้พบทางที่เอราว่าสอทางนี้เรียกวทางสายกลางมาเคยทางแห่งศีลสมาธิปัญญามีหอยทากเลี้ยงหนึ่งตัวที่ลูกชายเลี้ยงสงสารยาพาไปปล่อยที่กุฏิมาอาจารย์ชุ่มชื้นน่าจะเหมาะกับเขาจะบาปไปครับทําไมไปโดนไปยืนเขา แไปให้คนอื่นก็ทําไมเบเบียนคนอื่นเขาก่อนจะไปปล่อยไหมต้องขออนุญาตเจ้าของที่อยู่ด้วยก่อนครับเขาเราปล่อยได้ไหมน้นอยู่ดีวันดีอยากจะปล่อยงูก็มาปล่อ ย, อยคนดูว่าเจ้าของเขายินดีหรือไม่ <S <S การที่เราทําบุญแล้วตั้งจิตอธิษฐานส่งบุญให้ลูกๆเขาได้รับบุญไหมครับถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็ไมนได้รับบุญ ก็อย่างไรเขาได้รับบุญก็ซื้อของให้เขาไปการถวายน้ำพระพุทธรูปทุกวันได้บุญไหมครับไม่ได้เหี่ยอ้วนศรีสเกตบอกว่ากราบพระอาจารย์ครับผมฟังพระอาจารย์เทศแล้วนำไปปฏิบัติเริ่มจากมีศีลห้าบริบูรณ์ครบหนึ่งปีแล้วนะครับทุกวันนี้พุทโธตลอดครับดีพยายามนั่งสมาธิต่อ มีคนมาระบายความไม่สบายใจของเขาให้เราฟังบ่อยๆพอเราให้คำแนะนำกับไม่ฟังจิตเราก็ขุนมัวแทนอย่างนี้จะแก้อย่างไรครับก็อย่าไปให้คำแนะนาเขาฟังเฉยๆก็พอถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ต้องตอบอะไรถวายดอกไม้และน้าที่หิ้งพระอย่างนี้ได้บุญไหมครับไม่ได้บุญ ถ้าเราฟังทมทุกวันท่านเทศแนว อ, ภ, อภิธรรมบาลีเยอะแต่เราไม่ค่อยเข้าใจครับอย่างนี้เราได้บุญหรือได้ปัญญาไหมครับถ้าไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ปัญญาเราต้องรู้เรื่องถึงจะได้ปัญญาอ๋อเหวอ้วนบอกเพิ่มเติมนะครับบากว่ากินข้าววันละหนึ่งมือด้วยนะครับอาจารย์เด้อสาธุ การฉายแสงและเคมูเป็นการปาณาติบาตไหมครับไม่เป็นครับเป็นการรักษา่างกายพระอาจารย์มีวิธีแก้การนอนไม่หลับไหมครับอาจารย์ก็ใช้สตินะไปกับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจตอนที่นอนะเดี๋ยวก็หลับพอหยุดคิดได้มันก็หลับไปอย่าปล่อยให้ใจคิดให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วอยู่กับการดูลมหายใจไปเดี๋ยวก็จะหลับ ซื้ออาหารใส่บาทกับทำอาหารเองไปใส่บาทอย่างนี้ได้บุญเหมือนกันไหมครับได้เหมือนกันถ้ามันทีมาจาก ง, งานที่จะซื้อเท่ากันคนะาถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับเหตุใดคนใกล้ตายจึงเห็นญาติพี่น้องที่เสียไปแล้วครับไม่รู้เหมือนกันนะขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ในเฟซ 434คนนะครับในยู560ในคลับ4ในติกต็อบ488ครับรวม 1,486 คนครับรอาจารย์ครับวันนี้น้อยลงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ก็ยังมากอยู่ขอความชื่นชมยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนทนาธรรมหวังว่าคงได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยและการสนทนาธรรมสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแคเวลา <c oughs>